นายจ้างทั้งสองก็สามารถจะเข้าใจชนิดที่ไม่จําเป็นต้องซักถามไม่เสียเวลาน้อยถัดจากกระพินและฉันถัดจากเธอเองอดีตนายทหารปืนใหญ่กระซิบบอกพร้อมกับตกไหลเพื่อนสาวนักมนุษยวิทยาคนสวยจัดการกับตนเองตามแบบกระพินโดยไม่เงอะงะเสียเวลาอยู่เพราะเคยชินรู้ดักดีอยู่แล้วเพียงแต่ถามว่าเว้นระยะห่างสักเท่าไหร่สามหลาอย่าให้สั้นกว่านั้นไม่จะยึดกันไว้ไมิถนดัดดีไม่ดีจูงกันหล่นลงไปหมด พานใหญ่บอกคนถัดไปคือชายยันต่อมาก็เสยเกิดและจันเป็นคนหลังสุดปิดท้ายขบวนของสายโซ่ภายหลังจากที่จันอันเป็นคนสุดท้ายร้องบอกมาว่าพร้อมแล้วเงยซายอันทำหน้าที่หัวแถวหรือมะกุเทศก็ตวัดไรเฟืล ข, ขึ้นสะพายไหล่ส่องไฟฉายกราดเดินนาไปเบื้องหน้าคนถัดถัดไปก็เริ่มเคลื่อนไหวตามเป็นแถวเรียงเดียวโดยไม่พูดคาใดกันออกมาอีก แล้วพีนเปิดไฟฉายในมือของเขากาดสำรวจอีกดวงหนึ่งไปรอบๆและชายยันก็อีกดวงหนึ่งซึ่งคอยกวาดอยู่ไปมาอย่างหวาดระแวงนอกนนั้นไม่ จ, จ, า, กจากคอยก้าวตามหลังคนหน้าไปชนิดทับรอยและอาศัยแสงไฟสามดวงที่กวาดผ่านกันอยู่ไปมาเป็นเครื่องสังเกตสิ่งแวดล้อมพื้นเป็นหินตะปุ่มตะป่ําที่จับเต็มไปด้วยตะไคร่และลื่นจัดส่วนมากเปียกชื้นเฉอะแฉะ บางแห่งเป็นบ่อน้ำขังอากาศอับแต่เย็นเยือกผนังด้านบนอุดมไปด้วยหินย้อยจากแสงไปฉายสามดวที่สาด จ, จ้าออกไปมองเห็นเป็นโพรงคูหาซอกเล็กมุมน้อยแยกไปได้หลายทางราวกับมีมือมนุษย์มาประดิษฐ์ตกแต่งไว้เพียงแค่การกระแอมไอหรือสะดุดเตะหินเข้าสกรอนเสียงของมันก็ดังกังวานสะท้อนก้องกลับไปกลับมาอย่างน่าประหลาดราวกับจะเป็นเสียงล้อเลียน เงยสายคงเดินนํารุดหน้าไปอย่างเงียบกริบโดยไม่เหลียวหลังกลับมามองแต่ละฝีก้าวย่างที่เจ้าชาวโดงผู้ลึกลับนําไปสำแดงที่เห็นชัดถึงความจัดเจนชํานาญทางมาเป็นอันดีแล้วเพราะไม่มีการหยุดใครขวนหรือดังเลเลยแต่ละแยกแต่ละเลี้ยวก็เลี่ยงร่างยักษ์ก้าวรุดไปด้วยอาการอันมั่นใจยิ่งนี่เป็นความรู้สึกของพานใหญ่รละพินไพร์วันผู้เพ่งจับอาการเคลื่อนไหวของเงยสายอยู่อย่างพินิษฐ เสียงน้ำตกลงมากระทบผิวแองเบื้องร่างดังห่างไกลออกไปเป็นลำดับและไหนที่สุดก็เงียบหายสนิทไปเมื่อการเดินผ่านพ้นไปประมาณ15นาทีแม้ระพินเองก็ยังแทบจะกำหนดไม่ถูกว่าแง่สายนำเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปตามอุโมงธรรมชาติใต้ขุนเขาใหญ่นั้นกีดตระแล้วหนทางมันไม่ผิดอะไรกับเขาวงกฏบางตอนก็เป็นช่องทางกว้างใหญ่เว้งว้างราวกับโกดังเก็บของและบางตอนก็แคบจากัด แต่ถึงอย่างไรก็มีขนาดกว้างพอที่ช้างขนาดใหญ่จะเดินเรียงเดี่ยวไปได้อย่างสบายอากาศภายในเริ่มข้นหนักขึ้นทุกขณะเมือเ่อลึกจากบริเวณปากถ้ำเข้ามาเป็นลําดับทุกคนสะพายปืนไว้กับไหล่ใช้มือทั้งสองเกาะตามหินงอกที่ผุดระเกะระกะตามถ ท, ทางที่ผ่านไปราวกับจอมปลวกนับไม่ถ้วนเหล่านั้นเพื่อประยุงตัวกันไม่ให้รื่นหกร้มจากพื้นอันแสนจะเรื่อนทรงตัวลาบากครั้งหนึ่ง แง่าสายผู้นำอยู่เบื้องง่าหยุดชะ ง, งักยืนนิ่งอยู่กับที่แล้พินอันลองแถวคนที่สองไต่แง่หินเข้ามาทันส่งสายตาเป็นคําถามมาเจ้าคนใช้ชาวดวงไม่เอ่ยคําใดกับเขาเพียงแต่ฉายไฟลงไปบนพื้นตรงหน้าพอมองเห็นถนัดฐานใหญ่ก็กลับริมฝีปากเต็มแรงพื้นตําแหน่งนั้นลาดต่ำกว่าระดับอื่นๆลงไปเล็กน้อยลักษณะเหมือนแอง่งจับหนาไปด้วยตะไคร่ที่หมักห ม, มมกันอยู่จะแลดูเหมือนตะเกเรน รอยเท้าช้างที่เหยียบย่าไว้ใหม่ๆ ม, ม, มองหินได้ถนัดแต่นั่นก็ไม่สำคัญเท่ากับเลือดสีคามกองโตที่ปรากฏอยู่แ้วพินซุดตัวรงเอาอไปใช้ส่องแล้วใช้นิ้วแตะเลือดขึ้นมาขยีด้ดมดูดาลินกับชายยันก็ตามเข้ามาถึงทั้งสองอุทานออกมาเป็นเสียงเดียวกันด้วยความตื่นเต้นมันละชัดเหลือเกินเราตามมันมาถูกทางแล้วชายยันร้องขึ้นเบาๆจอมพานลุกขึ้นยืน ส่องไปฉ า, ายกัดไคไปตามพื้นเบื้องหน้าอันเป็นทิศทางไปของมันรอยที่เหยียบตะไครไว้และหยดเลือดรียลาดเป็นทางส ด, สดสดร้อนๆนี่เองไม่ใช่หรือรู้สึกว่าจะใหม่หรือเกินดารินเอ่ยขึ้นด้วยเสียงกระซิบไม่ใหม่นักหรอกครับมาล่วงหน้าไปก่อนเราคืนหนึ่งรอยเลือดบอกว่าผ่านไปประมาณ15บห้าสชั่วโมงมาแล้วผมกะว่ามันผ่านที่นี่เมื่อเย็นวานนี้ขณะที่เราอยู่ตรงหน้าผาน้ําตกนับเวลาจากที่มันถูกน้อยยิงมาจนกระทั่งมันผ่านที่นี่ เป็นระยะเวลาประมาณ4ี่ห้าชั่วโมงเลือดมันยังไหลออกมามากแบบนี้โดยไม่หยุดก็น่าจะสันนิษฐานได้ว่าอาการของมันหนักเต็มทีหรื อ, อยังไงชา ย, ยันอย่างความเห็นของเขาก็เห็นผ่านใหญ่ขมวดคิ้วริมฝีปากย้มเม้มแน่นอยู่เช่นเดิมก็ควรจะเป็นอย่างที่คุณชา ย, ยันว่านั่นแหละครับผมแปลกใจเหลือเกินทาไมมันถึงทรหดผิดปกติอย่างนี้ความจริงมันควรจะไปไม่ไหวแล้ว แง่าสายฉายไฟในมือลงไปยังแอ่งอันเลอะไปด้วยรอยช้างนั่นอีกครั้งแล้วชี้ให้ดูพร้อมกับเอ่อยห้างๆขึ้นเป็นประโยคแรกว่าผู้กองเห็นรอยช้างใหญ่อีกสองตัวนั่นไหมรลพินมองตามนิ่งไปครู่ใหญ่ตาทั้งคู่หลี่ลงอย่างใช้ความคิดหนักหน่วงชายยันสกิดถามมาเบาๆว่าทำไมหรือนพินอาจเป็นไปได้อย่างที่แง่าสายคิดครับนั่นก็คือไอแหวงยังล้มไม่ลง เพราะมีบริวารของมันสองตัวคอยแซงขนาดประครับประคองอยู่มันช่วยกันพาจากโขลงของมันไปมันผ่านถ้ำนี้เข้ามาเพียงสามตัวเท่านั้นไอแหวงตัวการกับช้างบริวารอีกสองตัวนอกนั้นยังไม่ได้ผ่านเข้ามาทางนี้ก็คือเจ้าพวกที่เดินล่อให้เราหลงทางเมื่อวานนี้นั่นแหละครับชยันอึง้งส่วนดาลินขนลุกชันขึ้นทั้งตัวคลางอะไรออกมาคำหนึ่งด้วยความสยดสยิวใจในปัญญาเร่กล ข, ของพญาก็จสาน ร, ร้าย และลูกโครงบริวารของมันโอ้โ oh, หถึงขนาดนี้ทีเดียวหรือภายหลังจากเงียบงันกันไปคู่ใหญ่แล้วปินก็บอกครึมๆว่าจะอย่างไรก็ตามเราเป็นต่อแล้วครับความหวังเห็นอยู่แค่เอื้อมนี่เองแล้วก็พยักหน้ากับแงาสายให้ออกนำต่อไปทั้งหมดเคลื่อนออกจากที่อีกครั้งลอยจะคล้ายจากปลักกลางถ้ำที่มันลุยผ่านไปเละเทอะเป็นทางไปให้เห็นชั่วระยะหนึ่งแล้วก็ค่อยๆเลือนหายไป เหลือแต่ลอยหยดเลือดกระเซ็นกระส้ายซึ่งเระยะห่างขึ้นและในที่สุดก็ขาดหายไปอีกอย่างน่าพิศวงคราวนี้แง่าสายเริ่มรังเลพยายามส่องไฟสำรวจไปตามพื้นอย่างถี่ถ้วนนำเลี้ยวแย่ไปทางคูหาด้านขวาเข้าไปสู่ใจกลางเวงกว้างใหญ่ตอนหนึ่งแล้วก็ยืนงงในที่สุดก็โบกมือเป็นสัญญาณให้ทุกคนเดินตามย้อนกลับมายังปากทางแยกแห่งเดิมอีกมาหยุดยืนนิ่งอยู่ที่เก่า แกงองอะไรหรือผานใหญ่กระซิบถามมาเบาๆจากเบื้องหลังเลือดของมันไม่มีทางจะหยุดลงได้เลยแล้วรอยเลือดหายไปไหนไม่เพียงแต่งแงสายเท่านั้นแม้เขาเองในขณะนี้ก็กำลังเผชิญอยู่กับปัญหานี้เช่นกันเว้นแต่ไม่ได้ปิดปากออกมาเท่านั้นทางในถ้านี้ทะลุออกหุบหมาหอนได้กี่ทางทางเดียวแต่หนทางเดินข้างในมันกว้างขวางมากนําไปยังหลายกูหาหลายเวง ถ้าเช่นนั้นไม่ต้องกังวลถึงรอยเลือดนำตัดออกปากทางด้านหุบหมาหอนธรรมชาติของช้างจะไม่หลบอยู่ในถ้ำมืดนอกจากอาศัยเป็นทางเดินผ่านแต่ผู้กองครับเลือดมันหายไปไหนแง่าสายเอ่ต่าๆมาอีกอย่างกังวลมันอาจลงไปเกลือกปากตะไครน้ำเอาตะไครอุดปากแผลหยุดเลือดไว้ชุก ข, ขาวก็ได้ไม่ต้องมีข้อแม้อะไรทั้งสิ้นทาตามที่ฉันสั่งเขาพูดเฉียบขาดเสียงแง่าสายถอนใจเยือก นิ่งอยู่อีกครู่ก็บอกมาห้าวๆเสียงกล้องไปทั้งคูหาว่าระวังตัวเดินตามแง่าสายให้ดีทุกคนทางข้างหน้าจะผ่านปากเหวรอบด้านหุนทางแคบและลื่นมากแง่าสายจะนําทรุออกปากท่ามทางด้านหุบหมาหอนตามคําสั่งของผู้กองขาดคําร่างอันสูงใหญ่นั้นก็เคลื่อนออกจากที่อีกครั้งทั้งหมดเดินเข้าขาบวนในลักษณะเรียงเดี่ยวอีกครั้งสูดเท้าซ้ํารอยกันไปอย่างระมัดระวัง โดยทิ่ระยะเท่ากับความห่างของเชือกที่ผูกมัดเอาไว้แง่ท า, ายสองทางไปเฉพาะร่องเดินข้างหน้าแต่ระพินและชายยานกวาดจำปิฉายสองสำรวจไปตามผนังทั้งสองด้านตลอดจนบริเวณแวดล้อมที่9ผ่านไปครั้นแล้วไม่กี่ใจต่อจากนั้นเองทุกคนก็เริ่มสังเกตชัดว่ากําลังเดินตายชิดผนังด้านซ้ายซึ่งมีช่องทางสําหรับให้เดินกว้างเพียงเม็ดเดียวพ้นจากทางเดินอันกุขกะและแสนดื้อ ซึ่งมีลักษณะเป็นขอบเหวนี้คืออากาศอันว่างเปล่ามืดมิดแสงไฟฉายที่ระพินกับชัยยานส่องกลาดลงไปไม่สามารถจะส่งลงไปถึงก้นอันสุดยังนั้นได้นอกจากเหลี่ยมได้แง่ของหินผาที่ผุดอยู่ระเกระกะลดลันลิบเลี่วกันลงไปการเดินเริ่มช้าลงจนกลายเป็นค่อยๆป่ายไปเสียงรพินเตือนนายจ้างเขามาเบาๆกาชับให้คอยก้าวและหาหลักที่ยึดตามที่เขาได้ทาตัวอย่างไว้ก่อนแล้ว แม้อากาศภายในจะเย็นเยือกสักเพียงใดก็ตามแต่บัดนี้ทุกคนเหงื่อผุดเต็มใบหน้าจังหวะเดียวเท่านั้นที่พลาดมันหมายถึงการถลายลื่นหลุดลงไปจากทางเดินมหาวิบากนั้นซึ่งทำนายไม่ได้ว่าอนาคตอยู่ที่ไหนรพินคุณแน่ใจหรือว่าช้างมันจะผ่านทางแบบนี้ไปได้เสียงชายยันร้องถามเบาๆขณะที่ใช้เท้าย่างทางอันเทราเป็นรอยสูงต่ําพวกหาความมั่นใจ ก่อนจะกล้าเหยียบลงไปอย่างระมัดระวังมือก็กเกาะยึดหินงอกริมผนังไว้แน่นเชื่อเถอะครับว่ามันไตได้เป็นคําตอบสั้นๆของจอมพานแล้วจากนั้นความเงียบก็ปกคลุมเหมือนเดิมนอกจากเสียงหายใจหอบหอบและเสียงอุทานพึมพำอยู่ในลําคอจะใครบางคนในบางเวลาดาดินเหยียบก็หินถลายลื่นครั้งหนึ่งแต่ขมาไปกเกาะยึดแง่ริมผนังไว้ได้ก้อนหินที่หล่อนเหยียบพลัดจากขอเผลหลุดร่วงลงไป เสียงมันกระทบกับแง่ที่โผ่ยื่นออกมาจากกรีมขอบแล้วก็ดอนต่ําลงไปสู่เบื้องล่างดังสะท้อนกล้องลงไปเป็นลําดับฝั่งเสียงวู่ไปถึงขั้วหัวใจทุกคนหยุดชะงักการเคลื่อนนิ่งอยู่กับที่ในบัตรนั้นน้อยเป็นยังไงบ้างชา ย, ยันร้องร่างขึ้นอย่าง ใ, ใจหายพร้อมกับฉายฝ่ายไปที่เพื่อนสาวผู้อยู่ข้างหน้าทุกคนเห็นนักมนุษย์วิทยาคนสวยนอนผังภาพเกาะแง่หินนิ่งอยู่เช่นนั้นอึดใจหนึ่งก็ค่อยๆเหนี่ยวกายส่งตัวขึ้น ส่วนเท้าข้างหนึ่งของหล่อนผลขอบผิวออกไปรออยู่ไม่สามารถจะใช้ยันกับอะไรได้ระวังอย่าเพิ่งพุ่งพลาดเข้ามาที่ฉันตรงนี้ลื่นทางเทลาดมากหล่อนกลับเป็นฝ่ายเตือนเข้ามาเบาๆด้วยเสียงเป็นปกติเมื่อเห็นชายยันขยับตัวจะปลีผามตามเข้ามาช่วยพยุงตรงตำแหน่งนั้นพรานใหญ่ซึ่งเป็นคนถัดไปจากหล่อนทางเบื้องหน้าและบัดนี้อยู่ในระหว่างโซ่หินที่มีความมั่นคงกว่า ส ว, วัดสายเชือกส่วนที่ทิ้งรนะยะในระหว่างเขากับปรอนคล้องผ่านติดกับแง่ตอนหนึ่งอย่างมั่นคงตนเองยึดปลายไว้อีกข้างแล้วร้องบอกมาว่าเอาละครับคุณหญิงจับสายเชือกไว้เหนียวตัวขึ้นมาชายยันผู้เป็นสายโซ่อีกด้านหนึ่งของดารินก็จัดการผ่านเชือกเข้ากับหินงออีกก้อนหนึ่งเป็นการช่วยยืดตึงอีกแรงพอพานใหญ่ร้องเตือนมาอีกครัง้งหญิงสาวก็ปล่อยมือจากแง่หินที่จับไว้คว้าสายเชือกที่มัดติดเอว ทันทีที่มือดุดออกจากกลักยึดล่างของหลอนก็ถลายลื่นไปตามทางอันเทลาดนั้นหลุดพ้นขอบเพลลงไปในพริปตาแต่ก็ติดค้างอยู่ตรงบริเวณปากขอบนั่นเองเพราะสายเชือกยึดไว้หญิงสาวจับสายเชือกเหนียวตัวขึ้นมาอย่างยากเย็นในขณะที่รัพินและชายยันออกแรงยึดไว้อย่างเต็มที่อึดใจต่อมาก็พ้นขอบขึ้นมาได้และตายเข้าไปยืนหาหลักมั่นคงได้ใกล้ๆ ก, กับพรานใหญ่ ทุกคนผ่อนลมหายใจที่สะกดก้านไว้ออกมาอย่างโล่งอกตำแหน่งอันเกือบจะเกิดอุบัติเหตุนั้นทําให้คณะทั้งหมดต้องหยุดรอช่วยเหลือกันอยู่ตรงนั้นอีกครู่ใหญ่การเสียหลักของดารินเป็นตัวอย่างเตือนให้เห็นอยู่แล้วดังนั้นชัยยันเสยเกิดและจันทร์อีกสี่คนที่จะผ่านไปตามลําดับจึงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยมีพู้ที่ผ่านไปได้ก่อนแล้วคอยเตรียมป้องกันช่วยเหลือในวิธีเดียว ก, กันกับที่ได้ช่วยดารินมาแล้ว เกือบครึ่งชั่วโมงที่คณะทั้งหมดตายปากขอบเหวที่เรียบชิดผนังอุโมงด้านซ้ายไปต่อมาก็พบผลทางมหานรกในลักษณะเดียวกันเข้าอีกแต่ครั้งนี้ mm. เหวย้ายไปอยู่ทางด้านขวาบ้างการคืบหน้าเต็มไปด้วยความราชาเสีเวลาอย่างยิ่งเพราะกว่าจะก้าวไปได้แต่ละก้าวต้องอย่างแล้วอย่างอีกเพื่อให้แน่ใจว่าเท้าที่เหยียบลงไปจะเหนียวแน่นมั่นคงอยู่กับพื้นโดยไม่เสียหลัก แม้จะเต็มไปด้วยความระมัดระวังกันเช่นไรก็ตามเสรยก็พลาดหลุดลอยลงไปแขวนต่องแต่งอยู่กลางอากาศอีกคนหนึ่งทําเอาชายยานผู้เดินเผลอ ต, ตัวอยู่เบื้องหน้าถูกแรงถ่วงกระชากให้ล้มลงและถลายเลื่อนจะหลุดตามลงไปด้วยอีกคนหากแต่อดีตนายทหารปืนใหญ่ไหลลงไปติดแง่หินตอนหนึ่งไว้เสียก่อนสายเชือจึงยึดรั้งร่างของเสรยให้แขวนอยู่เพียงแค่นั้นและเกิดซึ่งเป็นคนถัดจากเสรยไปด้านหลังก็สาวหิ้วเพื่อนขึ้นมาเสียดายจริง หัวหน้าคณะของเราไม่ได้เล่นกายกรรมบนปากเหวใต้บาดาลกับเราด้วยป่านี่นอนสบายใจเฉบอยู่ในแคมป์ชายยานเตยออกมาท่ามกลางความตึงเครียดของนาทีวิกฤตนายพันตรีหนุ่มนอกราชการมักจะเห็นอะไรในแง่คลึกคื้นขบขันอยู่เสมอซึ่งช่วยให้บรรยากาศดีขึ้นคำพูดของเขาทำให้รพินยิ้มอยู่ในเงามืดนึกอยู่ในใจว่าบุรุษผู้นี้เป็นมิตรที่ดีสาหรับคนทุกคนนับเป็นโชคอย่างยิ่งที่การเดินทางครั้งนี้ บุคคลอย่างชายยานร่วมมาด้วยยิ่งเห็นกันไปนานก็ยิ่งรักใคร่ในอัธยาศัยใจคอเราจะเดินตายปากเหวอย่างนี้ไปนานสักเท่าไหร่แล้วผินลองถาไปทางแง่ายก็เห็นใบหน้ามืดแต่ดวงตาสว่างแววแจ่มใสนั้นหันมาพร้อมกับฟันขาวตามเคยข้างหน้ามีเหวอยู่อีกตอนเดียวเท่านั้นครับผู้กองเสียงห้าวแต่แผ่วเบาตอบมาทางเดินจะกว้างกว่านี้เล็กน้อยแต่เหวอยู่ทั้งสองด้าน เราเดินไปบนสันที่เหมือนสะพานทอดข้ามพรานใหญ่หัวเราะออกมานิดหนึ่งดูแก่ข้่องหนทางในถ้ำ น, นี้เหลือเกินนะไม่มีคําตอบใดๆจากแง่ทรายหนทางเป็นไปอย่างที่แง่ทรายได้บอกไว้พอพ้นจากทางเดินเรียบเพลวด้านขวาก็ผ่านที่ราบกว้างเดินสะดวกขึ้นตอนหนึ่งระยะสั้นๆและต่อจากนั้นทุกคนก็ต้องคืบตายกันไปอย่างใจหายไม่ทั่วท้องอีกครั้งหนทางเหมือนสะพานหินกว้างประมาณสาเมตร ทอดคดเคี้ยวไปในระหว่างปากเหวทั้งสองด้านบนเพดานเต็มไปด้วยหินย้อยที่ยื่นลงมาแด่พราวตาเป็นหมดเมื่อแสงไฟส่องไปกระทบจากความปล่อยเปรี่ยวสงบเงียบไม่มีวิแววของสัตว์มีชีวิตใดๆให้พบเห็นโดยตลอดระยะทางที่ผ่านมานั้นบัดนี้ทุกคนเริ่มสัมผัสกับเสียงบินพื่อภาพของค้างคาวและลมปีกตลอดจนกลิ่นสาบสาของมันที่ธาาโฉบเฉี่ยวเข้ามาใกล้พร้อมกับส่งเสียงร้องแซดอีกชั่วโมงเต็ม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 สัตว์มันก็อาศัยเป็นทางเดินเข้าออกไม่ได้เพราะไม่ใช่ระยะทางสั้นๆทั้งนั้นหนทางเดินในถ้ำนี่ก็ต้องบรรจบกับก้อนเหวอีกหลายแห่งทีเดียวคงไม่ใช่ที่นี่แห่งเดียวหรอกดาลินเอ่ยมาบ้างควรจะต้องเป็นเช่นนั้นแหละครับแล้วเขาก็หันไปทางแง่ทรายมองจ้องด้วยตาคมกริบเพราะว่าหนุ่มชาวโดวงผู้ลึกลับไม่ยอมมองสบตาด้วยแต่เขาก็ไม่เอ่ยถามคําใดทั้งสิ้นมันจริงดังว่าทุกอย่าง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 ทั้งๆ ท, ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ในที่สุดเป็นเวลาร่วมสองชั่วโมงเต็มๆที่ต่างก็งมกันมาในอุโมงใต้ภูเขาทั้งรูปแย่ท า, ายก็นาทะลุออกอยังปากถ้ำอีกด้านหนึ่งทางฝ้าตรงข้ามกับที่เข้ามาไม่มีปัญหามันคือปากทางที่ทะลุออกุบหมาหอนตำแหน่งปากถ้ำที่โผล่ออกมานั้นเป็นบริเวณปาทึบตีนเนินเขาตอหนึ่งสูงกว่าระดับป่าบื้องร่างประมาณ30เมตร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 พอพ้นปากถ้ำออกมาได้ทุกคนก็ลงนั่งพักและแกะเชือกที่ผูกติดเอวกันไว้เป็นพวนออกแล้วินสอดสายสายตาสำรวจไปรอบด้านอย่างพิเคาะเพียงครู่เดียวเขาก็สามารถจะบอกได้ในทันทีว่ามันเป็นบริเวณส่วนใดของเขานางด้านที่ติดกับหุบหมาหอนเห็นยอดเขาทางซ้ายมือสูงลิบที่มีแต่ก้อนหินเป็นกำแพงชันน้อนไหมครับเขาชี้ให้ชายยันดูพางพูดแผ่วต่า อดีตนายทหารบืนใหญ่แง้มมองตามแล้วพยักหน้าแต่ยังไม่เข้าใจความหมายพรานใหญ่หัวเราะแค่นในลำคอมองไปทางแง่สายแล้วก็บอกต่อมาว่าเมื่อเราติดตามขบวนเกวียนของเราซึ่งตั้งรอยอยู่ที่ป่าไว้เราตายกันไปบนสันขาวน่นหละครับหวังว่าคุณชายยานคงจะจำได้ดีว่าเราต้องเสี่ยงตายณนะผาสูงลินั้นกันไปด้วยความลำบากยากเย็นสขนาดไหนไหนจะเสี่ยงต่อชีวิตไหนจะเปลืองเวลา ทางั้งๆ ท, ที่ทางลัดและสะดวกกว่ามันก็อยู่ใต้ภูเขาอันเป็นเส้นทางที่เราโผล่กันออกมานี่แหละวันนั้นเจ้าแย่ทายก็ตายกับเราด้วยโดยเย็บป่าของมันเสียอย่างสนิทไม่ยอมบอกว่าด่านลับที่เชื่อมอยู่ระหว่างหุบหมาหอนกับป่านอกอยู่ตรงนี้ถ้ามันบอกเสียตะวันนั้นเราก็อาศัยเส้นทางใต้ภูเขานี่ตัดออกป่านอกได้อย่างสบายไปแล้วมิหนำซ้ำําเรายังสามารถจะตามไอ้แหว่งได้ทันการไม่ปล่อยให้ร่าช้ามืจนถึงเดี๋ยวนี้ ชายันหันไปมองทางแง่าสายผู้แบบนี้กำลับบงเดินก้มสำรวจรอยช้างห่างออกไปพลางยักษ์ไหลหัวเราะออกมาจิดจืดจริงของคุณไอ้หมอนี่มันมีอะไรลึกลับยังไงพี่กลอย่าว่าแต่คุณเลยผมเองก็อดฉิวมันไม่ได้เหมือนกันในเรื่องนี้หมอเป็นคนพิลึกพิลึกอยู่บางทีหมออาจถือคำสั่งปฏิบัติแบบเถนตรงก็ได้นั่นก็คือคุณเป็นผู้นาคณะส่วนหมอถือว่าเป็นเพียงผู้ตาม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 คุณตามทันหมออยู่ทุกขณะแล้วดาลินสังเกตเห็นสองชายซุบซิบอะไรกันอยู่ก็เดินตรงเข้ามาด้วยความสงสัยแต่รับพินกับชายยานเปลี่ยนเรื่องพูดกบเกลือนเสียหล่อนจึงไม่ทราบว่าทั้งสองพูดอะไรกันพักการเพียงชั่วหายใจได้คล่องขึ้นพานใหญ่ก็โบกมือเป็นสัญญาณกับแง่สายผู้ร่วงหน้าไปรออยู่ก่อนแล้วยังปลายหนทางที่ลาดลงต่ํานั้นให้ออกเดินนําต่อตอนเองสืบเท้าตามหลังไปที่ระยะห่างพอสมควร อานรอยไปทุกระยะอย่างรอบครอบระมัดระวังไ ร, ร้เฟื่อนของทุกคนที่สภายอยู่กับไรในขณะที่เดินอยู่ในถ้าบัตรนี้ถูกปลดลงมาถือไว้ในมือพร้อมดาดินเดินเคียงไรเลียงสองคู่ไปกับชัยยันท่อระยะห่างจากหลังของรพินประมาณเจ็ติดตามได้ผ่านพื้นเมืองทั้งสาซึ่งกง้มๆเงยๆสำรวจร่องรอยเหล่านั้นมาอย่างสงบโดยไม่มีใครปิดปากพูดคําใดที่ตีเนินก่อนจะลงสู่ป่าธรม อันเปรียบเสมือนเชิงบันไดของฐานดาที่นําขึ้นสู่ปากถ้านั่นเองทุกคนเห็นแง่าสายหยุดดีรอแง่สํารวจไปที่ซุ้มเถาวันทึบรลิมทางตอนหนึ่งแล้วผินก็เคลื่อนกลิบเข้าไปคนคู่นั้นไม่ได้พูจาคําใดกันนอกจากจะใช้สายตากวาดหาอย่างระแวงภายไปรอบๆแล้วก็เงยขึ้นไปจ้องอย่างพุ่มไม้ตอนนั้นอีกชา ย, ยันกับดาดินจรดฝีเท้าก็าไปถึงเป็นเวลาเดียวกับที่แง่าสายและระผินพากันสุดตัวรงนั่งยองๆกับพื้น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 ชายยันถูมือทั้งสองกับขางเก่งให้แห้งสนิทจากเหงื่อที่ออกซึมแล้วปดเซฟจุดหกศูในโตคู่มือป่ารอบด้านเงียบกิบไม่ได้ยินแม้แต่เสียงนกหรื อ, อจักจั่นสักตัวเดียวลมยามนั้นสงบนิ่งอยู่กับที่ไม่อาจสํำรวจทิศ ท, ทางได้แน่นอนแง่าสายยกมือขึ้นป้องหูแล้วทอดกายลงกับพังภาพกับพื้นดินเอาหูแน่พื้นนิ่งไปนานในขณะที่รพินค่อยๆกอบฝุ่นข้างตัวขึ้นมาโปรยเพื่อพยายามจะหาทางลมให้ได้ ไม่น่าชื่อว่ามันจะป้วนปี้นอยู่แถวนี้อย่างน้อยมันก็ล่วงหน้ามาก่อนเราตั้งคืนหนึ่งดาเินกระซิบกับเพื่อนชายเบาที่สุดเพราะสงสัยในอาการของพรานใหญ่กับแง่ท า, ายฉันก็คิดอย่างเธอแต่ลอยหักกิ่งไม้ใหม่เหลือเกินส ด, สดสดร้อนๆทีเดียวชา ย, ยันกระซิบตอบพรานกระเม่นมองไปทางรปินและคนใช้ชาวดงเพื่อจะอ่านความหมายโดยอาศัยอากับกิริยาของคนทั้งคู่เป็นเครื่องบอกแง่ท า, ายภายหลังจากเอหูฟังกับพื้อนอยู่อุใจจัยใหญ่ กเหนืยหน้าขมวดคิ้วสั่นหน้าลรพินเองก็อยู่ในอาการรังเลไม่แน่ใจในบางสิ่งบางอย่างทันใดนั้นลมก็เริ่มพัดมาเบาๆจากต้นเนินลงไปสู่ป่าเบื้องล่างมนุษย์เป็นฝ่ายอยู่เหนือลมสำหรับสัตว์ทุกชนิดหากอยู่ในระแวกดงทึบนั้นทุกสิ่งทุกอย่างยังคงเงียบสงัดอยู่เช่นเดิมนอกจากเสียงใบไม้ไหวกระทบกันเบาๆแง่สายเกิดจันแลรเสย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 แล้วชี้ไปยังดงทึบเบื้องหน้าอาดีตนายทหารกองโจนกะเลียงจ้องเขาด้วยความโงนจะโดดฝีเท้าเข้ามาใกล้มันต้องอยู่ไม่ใกล้นี่แล้วครับผู้กองลมโชยแล้วเราเป็นฝ่ายเหนือลมถ้ามันอยู่ใกล้ป่านนี้ก็ต้องได้ยินเสียงเคลื่อนไหวของมันน่าจะเป็นอย่างแงาสายพูดดาดินเสือมาโดยเร็วลมพัดจากด้านเราไปทางมันถ้ามันซุ่มอยู่ในระแวกนี้จริงก็มีอยู่สองนายเท่านั้นหากไม่แพร่หนี ซึ่งเาจต้องได้ยินเสียงเคลื่อนไหวมันก็ปี่ดิ่งเข้ามาแล้วแต่นี่ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นมันล่วงหน้าไปแล้วละ่ะเกิดเสดจันทร์ก็พากันมองดูเขาอย่างประหลาดใจแล้พินยกมือขึ้นรูปปลายคางมองสบตาทุกคนที่พากันจ้องมาอย่างเขาอยู่เงียบๆแล้วเปลี่ยนไปจับที่แง่ทรายแง่ทรายแกเป็นคนมียานสังหอนดีเป็นพิเศษถูกแล้วข้อวินิจฉัยของพรานทั่วไปบอกเราไว้ว่าเวลาใดก็ตามที่เราอยู่เหนือลมสัตว์จะพรักหนีทันที หรือมิฉะนั้นก็พุ่งสวนเข้าใส่ทันทีเหมือนกันแต่สําหรับกรณีนี้ฉันอยากจะให้แกใช้ยานสังหรณ์ของแกแล้วบอกมาสิว่ามันอยู่ใกล้หรือไกลเราสักขนาดไหนแย่าสายอึ้งคิดแล้วเปิดรอยยิ้มกว้างผู้กองคิดอย่างไรหรือครับฉันไม่ได้คิดแต่สังหรณ์เตือนว่ามันกําลังจ้องมองเราอยู่ใกล้ๆนี่เองเพียงแต่ว่าเรายังไม่เห็นมันเท่านั้นผมไม่มีสังหรณ์อะไรในขณะนี้ และยานสังหรณ์ของผมก็ไม่แน่นอนเสมอไปนักรู้ตามหลักของพรานช้างอย่างเดียวว่าถ้าเราอยู่เหนือลมมันเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็ต้องตามกันเหนือตกเดินกันอีกหลายเหนื่อยนักผมอาจผิดก็ได้คนใช้ชาวโดงบอกข้างฮาเอาล่ะถ้างานแกนําต่อไปดาดินหัวเราะออกมานิดหนึ่งตบไหล่แงซายแล้วว่าไปเดินต่อไปถึงแงซายอย่าเสียเวลาอยู่เลยพองแงซายออกเดินหม่อมราชวงสาวคนสวยก็แซงหน้าพรานใหญ่ เดินติดหลังคนใช้แาวดงไปแต่ฝ่ามือหนักๆของรปินตะครุบไหลของหลอนเหนี่ยวไว้พูดทวนๆอย่ากออกหน้าไปอยู่ข้างหลังผมตามเดิมหลอนหันขวับมาอย่างฉุนเฉียวนี่ในพานคุณประสาสตร์เสียไปแล้วฉันคิดว่าทางที่ดีคุณนั่งสงบสติอารมณ์รอที่ปากถ้ำ น, นั่งจะดีกว่าแง่ทายจะนำพวกเราไปเองไม่ทันจะขาดเสียงเขงดาลินทิตวาดเขาใส่เขาป่าเบื้องหน้าในระยะห่างเพียงไม่กี่ก้าว ก็แตกคลื่นขึ้นอย่างจู่โจมกระทันหันพร้อมกับเสียงแปลนึกก้องแง่าสายผู้ดับหน้าทุกคนออกไปเวียงไร้ซ่อนขึ้นมาแล้วร่างกายเข้าใส่ร่างมลุมาที่ตรุยรีเข้ามานั้นในระยะประจันหน้าเผาขนเสียงกระสุนระเบิดสถานโดง่งเลือดในกายของทุกคนในขณะนี้ดูเหมือนจะจับเป็นก้อนแข็งในตากฎการที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้ามันสวนเข้าใส่ควันปืนอย่างดุร้ายกระหายเลือด เ, ดเร็วเหมือนสายฟ้า อดีตนายทหารกองโจนกะเลียงโจนหวือพ้นหน้าของมันไปเพียงองค์ผู้รีเดียวล้มกริ้งกอดตูนอยู่ที่โคกใหญ่ดินทางใกล้ๆพลาดจะแงซายขุมขาวลูกนั้นก็ตะลึงแผ่นดินสะเทือนเข้ามายัางดาลิมและระพิมผู้บัดี้ยังอ้าป่าโต้เถียงกันค้างอยู่เพราะอยู่ในอาการตะลึงและอยู่ในเส้นทางอันเดียวกันและในขณะนี้ใกล้เข้ามาเพียงสองสามวาก็จะถึงตัวเป็นครั้งแรกในชีวิตของจอมพราน ซึ่งยอมสนะปืนให้ดุจกมือไปโดยเจตนาชีวิตของนายจ้างสาวสําคัญกว่าอื่นใดทั้งสิ้นปลอกแขนของเขาคล้องกับพี่เอวกิ้วของดารินแล้วก็ชาสุดแรงเท่าที่มีอยู่ทั้งหมดพร้อมกับถีบตัวเองออกจากที่มุ่งเข้าหาโคนไม้ใหญ่ที่ล้มขวาำอยู่ริมทางไม่ห่างออกไปนักหลันก็เดินลงไปนอกพื้นแน่นิ่งจากกําลังเหบี่ยงสุดแรงตัวนั้นรอดจากบาทางก็จะสารที่ตะลุยย่ำเข้ามาอย่างหุดหวิด ส่วนตัวของเองก็คล่่ความกมัมงายไปสามสี่ทอดแลเห็นโลกหมุนไปหมดการเคลื่อนไหวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายในติปตาเท่านั้นโดยหว่างที่เขาคลี่หมุนไปกับคืนกำหนดทิศทางวิถีจุดนั้นอูทั้งสองก็ร่างเปลียนปาจะดับไปรู้สึกแรงกดของอากาศบูบขึ้นใกล้ๆตัวนั่นคือเสียงคำโดนของจุด60ศนไนโตรไม่มีปัญหาจากมือของชัยยันแน่ ชายยันผู้เขาก็ยังกำหนดไม่ถูกว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเพราะยือนอยู่ห่างจากเบื้องหลังเขาเออกไปสี่ห้าเก้าเท่านั้นเพียงแต่รู้จากเสียงระเบิดของปืนว่าอย่างน้อยที่สุดนักประโจนชายหนุ่มชาวกลุ่ก็มีโอกาสลั่นกระสุนออกไปได้หนึ่งนัดและเป็นนัดที่สองรองจากแง่าสายขณะที่ช้างร้ายพุ่งสวนหัวแถวเข้ามาตะกายขึ้นยื น, นทันทีที่ตั้งหลักได้อีกครั้ง ชายานกำลังวิ่งกระเจิดกระเจิงแต่ร่างใหญ่โตมโหรารร้องโอก๊กยาวลั่นตากวดตามหลังอดีตนายทหารปืนใหญ่ไปได้สองสามก้าวกู้ข่าวหน้าหวบลงชายยานหันกลับมาอีกครั้งคราวนี้วิ่งเข้าไปใกล้ทางด้านซ้ายของมันจ่อปากกระบอกปืนเข้าไปที่ช่องหูเสียงลั่นเตืนขึ้นอีกนัดเขาจะสารร้องล้มตะแคงคืนลงไปราวกับถูกมืออันทรงพลังผักทางด้านเกิดเสยและจันสิ้นห่างออกไปทางเบื้องหลัง บาดนี้ก็กํากลังสับสนโอลแมนขีดสุดทั้ง3าคนช่วยกันกระ น, นําไรเฟินเข้าใส่อีกตัวหนึ่งสนันวันไหวไปหมดพร้อมต้องวิ่งแตกกระจัดกระจายเพราะถูกกวดไร่เข้ามาอยู่บ้านเลือดแล้วปีนกระโจนเข้าไปคว้าปืนของเขาที่ตกอยู่แล้ววิ่งกานออกไปสกัดหน้าในขณะที่เสยตกอยู่ตะกายเข้าไปติดอยู่ในพงเถาวันโดมยมีอยักษ์ใหญ่แผดเสียงร้องเลือดสูงตัวแล่นไล่เข้ามาอย่างกระชั้นคิด แล้วพิณปล่อยนัดแรกในมือออกไปในขณะที่วิ่งเข้าสายโดยเหน็ดพรานท้ายไว้ในซ่าแขนกระสุนนัดนั้นแล่นเข้าตัดซ่าแขาหน้ามันสถานสั่นดิบไปทั้งตัวส่งเสียงร้องร่นปากบายหัวจัดการที่มุ่งกระยี่เซยแล่นตะลุยตรงไปยังทางด่านอันนําไปสู่ปากถ้าอย่างปัดเตโซเซเขาขวดไล่หลังไปอีกอย่างไม่ทิ้ชีวิตเกิดเหการณ์ตั้งแต่ที่เจ้าไปในทงสองซ่าก็ถะลังออกมาแล้วระเบิดกระสุนตามหลังไปอีกคลนละั มันยักแย่ยักจันดุที่ทางด่านอันชันนั้นถอยหลังเลื่นถลายลงมาสองสาครั้งแล้วพยายามจะปีนขึ้นไปอีกจังหวะนี้เองจันทร์ผู้อยู่ในทิศทางที่ใกล้กว่าแล้วพินก็กวดไล่หลังเข้ามาถึงจี้ปากกระบอกจุดสาม็ห้าแมกนัมหมายไปที่ก้านคออนันเป็นเป้าถนัดถนีแล้วรั้นเปียงไอ้ยักษ์ก็พลันหมดฤทธิ์หมอบคาอยู่ที่ปากทางด่านนั่นเองท่ามกลางหัวใจอันเต้นไม่เป็นมซำของทุกคนป่าสงบเงียบลงตามเดิม ซากของช้างสารสองตัวที่กองพเนจนอยู่เป็นสีดอขนาดใหญ่เต็มที่ทั้งคู่ไม่มีเงาหรือวี่แววของไอแวงจ่าโขงของมันให้ค้นพบเป็นเพียงสองตัวโดดๆดดเท่านั้นที่พรวดพลาดออกมาโจมตีฝ่ายมนุษย์น้อยอยู่ไหนชยันร้องขึ้นเป็นประโยคแรกในทันทีที่ควันปีนจางและช้างทั้งสองตัวคว่ำไปหมดรถยืนจึงเพิ่งลุกขึ้นมาได้ เขาเพื่อนตรงไปที่ร่างอันนอนหมดสติอยู่ใต้ซ่าต้นไม้ใหญ่ของหล่อนทั้งหมดก็พูตามเข้ามาชัยยันกราดก็มาประคองเพื่อนสาวอย่างตกใจแล้วเพีนงยืนอึง้งทำอะไรไม่ถูกปล่อยหน้าที่ปพทย์พยาบาลให้กับชัยยานันครูใหญ่หลังจากนั้นนักมนุษยวิทยาสาวก็ได้สติรู้สึกตัวขึ้นมาอีกครั้งด้วยอาการมึนงงหล่อนนั่งสะบัดหน้าอยู่เป็นครูใหญ่เหมือนจะเรียกความทรงจําแล้วลืมตาสว่างโพลมองดูหน้าทุกคนที่แวดล้อมอยู่ น้อยเป็นยังไงบ้างดาดินยกมือขึ้นกุมต้นคออาการยั ง, งงงงอยู่เช่นเดิมจับต้นเจนปลายไม่ถูกเกิดอะไรขึ้นนี่ฉันหมดสติไปเหลอแล้วหล่อนหันไปรอบรอบตัวขมวดคิ้วช้างละ่ะมันโผล่พูดผ้าออกมาไล่พวกเราไม่ใช่หรือตายเรียหมดแล้วทั้งสองตัวพวกเราปลอดภัยทุกคนเธอหมดสติไปสงสัยจะนกพื้นตอนที่เราพินกระชากหลบขณะที่มันวิ่งเข้าใส่ ชัยันบอกโดยเร็วมองดูเพื่อนสาวอย่างเป็นห่วงหญิงสาวคงนั่งนิ่งกลุมต้นคออยู่เช่นนั้นแล้วผินสุดตัวตรงตรงหนา้ามองดูรอนอย่างสงสารและรู้สึกเสียใจพูดแผ่วต่ำกรุณาไพายผมเถิดครับคุณหญิงคงจะเจ็บมากผมกำลังตกใจในตอนนั้นเหวี่ยงคุณหญิงสุดแรงเกิดทีเดียวเพราะจนตัวเหลือเกินดาลินฝื น, นหัวเราออกมาก่อยๆแต่แววตาไม่ส ว, ว่าจะโกรธเคืองอะไร สุดแรงมโหด้วยใช่ไหมที่ฉันอวดดีไม่เชื่อคุณคุณคงผิดหวังสิที่ฉันไม่คอหักตายไปสีรู้แล้วรู้รอดอีตอนที่คุณเหวี่ยงมาเน้นนะ่ะอยากจะฆ่าฉันใช่ไหมโทคุณหญิงครับพรานใหญ่ร้องออกมาเบาๆชายยันก็สอดมาโดยเร็วว่าแล้วกันน้อยระพินช่วยชีวิตเธอไว้แท้ๆกลับไปกล่าวหาเขาสิอีกเธอนอกพิมสลบไปชั่วครู่ยังดีกว่าจะร่างกายแหลกเหลวไปด้วยบาทาช้าง ถ้าเขาไม่กระช้าเธอแรงขนาดนั้นก็คงหลบมันไม่ทันแน่เป็นอันว่าฉันผิดอีกเช่นเคยที่พยายามจะคัดง้างไม่เชื่อฟังคุณและผลแห่งการอวดดีนั้นฉันก็ได้รับโทษเจ็บตัวไปแล้วคุณคงเลิกโกรธฉันนะนานพานแล้วเพีถอนใจออกมาโล่งอกจ้องศกตาในจ้างหัวร้านของเขานิ่งด้ารินยิ้มให้กล่าวย้ำต่อมาครั้งนี้น้ำเสียงอ่อนลงเจือไปด้วยกระแสวิงวอนยังโกรธฉันอยู่อีกหรือ พรานใหญ่ใส่หน้าช้าๆหาไม่ได้ผมตหากที่ควรจะถามคุณหญิงเช่นนี้ผมเสียใจเหลือเกินที่ทําให้คุณหญิงต้องบาดเจ็บโดยไม่ได้เจตนาและดีใจที่คุณหญิงไม่ถือโทษดาลินหัวเราะเสียงใสกระโดดลุกขึ้นยืนอย่างว่องไวเสียดายเหลือเกินที่ชั้นนอกพื้นหลับไปเสียก่อนเลยไม่ได้ร่วมเหตุการณ์ตื่นเต้นเมื่อกีนนี้ด้วยมันไปยังไงมายังไงหลังจากชั้นหลับไปแล้วชายยันเล่าให้หล่อนฟังคร่าวๆ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 เถิดใดมันจึงยังสามารถวิ่งสวนเข้ามาได้จนเกือบถึงตัวระพินและดารินส่วนลูกปืนของชายยานที่ร่านเป็นนัดที่สองต่อจากแง่สายนั้นเสยธารุเข้าไปกลางหน้าอกและนัดที่ซ้ําอีกครั้งหนึ่งระเบิดผ่านหูทะรุขมองเลยออกอีกด้านหนึ่งมันจึงคว่ำลงในทันทีสําหรับตัวหลังซึ่งหมอบคาอยู่ที่ชายเนินนั้นถูกกระสุนของใครต่อใครที่ประดังกระหน่าเข้าใส่แทบจะปลุกไปทั้งตัวนัดที่หยุดมันลงอย่างเฉียบขาด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 นอกจากเจ้าทหารเอกคู่ใจสองตัวที่ช่วยกันประคับประคองไอ้แหวงจากโขงของมันหนีมานับตั้งแต่ไอ้แหวงถูกดาดินยิงเมื่อบ่ายวานปริศนาอันชวนมหสัสจัญใจที่สุดสําหรับทุกคนก็คือไอ้แหวงอันตรธานไปไหนจึงเหลือแต่เพียงบริวารคู่ใจของมันสองตัวดักรอรับหน้าอยู่เช่นนี้ระหว่างที่ผานใหญ่ยืนอึ้งอยู่นั้นแง่ทายก็เดินคอตกเข้ามาหยุดยืนอยู่ตรงหน้า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 ตาจับมองมายังเขานิ่งรพินเบิกตาโพล่ขึ้นในบัตรนั้นเหมือนจะเฉลียวคิดอะไรขึ้นมาได้ในคําพูดของแงซายและแล้วก็หวนึกได้ในทันทีนั้นเองว่าขณะที่รอยเลือดของไอ้แหว่งหายไปแง่ทายพยายามจะวนเวียนค้นหาอยู่ด้วยความสงสัยแต่เขาเองเป็นคนออกคําสั่งให้เลิกสนใจกับเรื่องรอยเลือดที่สูญหายไปและบังคับให้นําออกมาจากปากถ้าทางด้านหุบหมาหอนิเสีย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 กะเหลียงร่างยักษ์พูดมาอย่างเป็นปิิศนาและระหว่างที่พรานใหญ่ยืนหลีตาคิดอยู่แง่าสายก็ชี้ไปยังซากช้างอีกตัวหนึ่งที่ถูกจันทรยิงคว่ำคาตีเนินอันจะนำขึ้นไปสู่ปากถ้ำบอกต่อมาว่าผู้กองนึกออกไหมไอตัวนั้นถ้าไม่ถูกยิงล้มเสียก่อนมันกำลังบ่ายหน้าไปไหนทำไมมันไม่ตเตลิดหนีไปทางอื่นทำไมจึงพยายามจะตะเกียกตะกายย้อนกลับไปยังปากถ้ำนั่นอีกและทำไมมันทั้งสองตัว ล่วงหน้าผ่านปากถ้ำมา่ก่อนราวคืนหนึ่งจึงยังหากินใกล้เคียงอยู่กับบริเวณนี้ได้กลิ่นเราแล้วก็ยังไม่คิดหนีและพิณไม่เอ่ยคําใดในขณะนั้นทั้งสิ้นเดินเข้าไปพิจารณาดูซ่าของช้างตัวที่หมอบตายอยู่คาเนินอีกครั้งแล้วแงนขึ้นมองไปยังปากถ้ำริมฝีปากของเขาเม้มเป็นเส้นตรงชี้นิ้วเสยปีกหมวกขึ้นแกกับชั้นเห็นจะผิดกันคนละครั้งเสียแล้วฉันผิดก่อนแก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 ผมยอมรับว่าผมตามความคิดของมันไม่ทันในขณะนั้นเพิ่งจะมารู้เอาเหนือนี้เองฉันก็สงสัยแต่แรกแล้วตอนที่รอยเลือดของมันขาดหายไปดาลินว่ามองหน้าพรานใหญ่กับแง่สายสลับกันตอนนั้นดูเหมือนแง่สายก็มีท่าว่าอยากจะค้นให้ทั่วแต่คุณแร่งให้เขานําออกมาทางปากถ้าด้านนี้ผมยอมรับว่าผมพลาดในข้อนั้นแล้วพิมพสารภาพแล้วสะบดพึมพำสาบแช่งตนเอง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 ไม่ผิดหรอกครับเจ้านายต้องเป็นอย่างที่พรานใหญ่ว่าแน่ๆลูกโขงสองตัวนี้อาจออกมาหาหาให้จากโขงที่กําลังเจ็บซุ่มตัวอยู่ของมันก็ได้มันถึงไม่ได้ผลักหนีเป็นไหนไกลปนเปียนอยู่ใกล้ปากถ้าตัวสุดท้ายที่คว่ำอยู่ริมเนินนี่ก็บอกท่าเห็นชัดนะว่ามันพยายามจะวิ่งหนีย้อนกลับเข้าไปในถ้ำอีกพยาของมันจะต้องหลบอยู่ในถ้านั่นเองไม่งั้นมันจะพยายามย้อนกลับเข้าไปอีกทําไมถ้า ง, งานก็นับว่าเราโชคดีมาก ที่มาปะทะกับไม่สองตัวนิส ก, กอนและอ่านความจริงได้ทันการดีที่ไม่เดินหลงตามงมโคองไปทางอื่นถ้าพลาดหัวเลี้ยวหัวต่อตอนนี้ลราก็เย็นใจงมกันเหนื่อยเปล่าอีกร้ายวันทีเดียวดีไม่ดีไม่มีโอกาสเห็นเงาไอ้แหว่งอีกแล้วอดีตนายทหารปืนใหญ่คลางออกมาแล้วหันมาทางพลานใหญ่พยักหน้าชวนไปย้อนกลับเข้าถา้ำเอาตัวไอ้ผู้ร้ายสําคัญให้อยู่มือวันนี้แหละแล้วพินนิ่งไปอีกครั้งด้วยความคิดหนักหน่วง เขากำลังช่างใจในบางสิ่งบางอย่างดาดินก็เอ่ยมาช้าๆอย่างกังวลว่าว่าแต่ไอ้แหวงจะยังหลบอยู่ในถ้านั่นอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ระหว่างที่เราโผล่ออกมาทางด้านหุบหมาหอนี่มันอาจย้อนทางหนีกลับออกไปทางปากถ้ำด้านป่านอกแล้วก็ได้ชยันสั่นศีษะถ้าข้อสันนิษฐานของเราทั้งหมดนี่ถูกต้องก็เชื่อได้แน่ว่าไอ้แหวงไม่มีทางที่จะย้อนกลับออกไปทางปากถ้าด้านโน้นลองคิดดู ถ้ามันยังมีแรงพอที่จะย้อนกลับออกไปได้มันก็น่าจะเดินผ่านอุโมงทะลุออกมาทางด้านนี้พร้อมกับลูกโขล ง, ง, งของมันแล้วน่าจะเป็นอย่างคุณชัยยันว่าครับรับผิดดงความเห็นมาอีกคนแหน่หน้าขึ้นสํารวจอากาศและเหลือไปที่นาฬิกาข้อมือของอดีตนายทหารปืนใหญ่มันยังเหลือเวลาอีกอย่างน้อยก็ไม่ต่ํากว่าสองชั่วโมงก่อนจะเที่ยงเป็นอันว่าเราจะบุกเข้าไปค้นมันในถ้าอีกคุณชัยยันกับคุณหญิงพร้อมไหมครับ ผมน่ะพร้อมเสมอแวแต่น้อยเถอะถ้าอย่างไงแล้วก็พักสักอีกชั่วโมงก็ได้ดารินเยี่ยวดัดคอไปมาแล้วยิ้มอย่างทระหยตาเป็นประกายวาวบอกมาอย่างหนักแน่นว่าไม่ต้องห่วงฉันเรียบร้อยดีแล้วละ่ะอย่าเสียเวลาเลยแล้อพินระยักหน้าเป็นความหมายกับทุกคนและออกเดินนำผ่านซากช้างตัวนั้นตายเนินกลับขึ้นไปสู่ปากถ้าที่ออกมาเมื่อสักครู่นี้ภายหลังจากสารวจต่เตรียมกันพร้อม แง่าสายก็คว้าเชือกขึ้นมาผูกเอวอีกครั้งแต่ระพินหลี่ตาคิดเราจะย้อนรอยกลับเข้าไปตามเส้นทางเดิมจนกระทั่งถึงตำแหน่งรอยเลือดครั้งสุดท้ายของไอ้แหวง่งเขาพูดอย่างใคร่ครวญ น, นอกจากบริเวณเหวที่เราผ่านมาแล้วตอนอื่นๆมีเหวอีกไหมแง่าสายจากปากถ้ำด้านนี้เข้าไปจนกระทั่งถึงบริเวณเหวที่เราผ่านมาเป็นทางเดินสะดวก แต่เมื่อผ่านเหวตอนนั้นแล้วและไปถึงตรงที่รอยเลือดครั้งสุดท้ายของไอ้แหวงหากเราพยายามค้นโดยเดินแยกไปทางอื่นบางแห่งก็มีเหวบางแห่งก็ไม่มีถ้างา น, นแกเก็บเชือกนั้นไว้ก่อนเราจะผูกเอวติดกันอีกครั้งก็ต่อเมื่อถึงบริเวณตอนนั้นขณะนี้ยังไม่จำเป็นแกนำไปให้ดีก็แล้วกันแย่สายสาวไปเชือกตวัดสายไว้นิย่ามหลังโดยมีปลายข้างหนึ่งมัดค้างติดกับเอวไว้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 และพวกเราก็ต้องย่องตามกันเข้าไปเป็นขบวนโดยมีเชือกร้อยผูกเอวไว้สีอีกด้วยทั้งเจ็ดชีวิตพวกเรานี่จะกลายเป็นชีวิตเดียวกันหมดถ้าเราเป็นฝ่ายพลาดเราตายกันหมดทั้งเจดคนชายยาันแยกเคี้ยวยิ้มตบไหล่พานใหญ่หนักห่วงและบีบแน่นผมกับน้อยเข้าใจดีละพินถ้ากระสุนนัดแรกที่ระเบิดขึ้นในถ้ำนั่นไม่สามารถล้มไอ้แหว่งได้อย่างฉับพลันพวกเราเจ็ดคนก็แหลกไปพร้อมๆกันแต่ก็ไม่มีทางเลือกอย่างอื่น เหตุการณ์มันบังคับและท้าทายเราเหลือเกินนี่มันเป็นวาระสุดท้ายแล้วที่จะชี้ขาดว่าระหว่างเรากับไอ้แหวง่งใครจะอยู่ใครจะไปกล่าวจบนักประจญภัยหนุ่มชาวกรุงก็ก้มลงมองดูจุดหกนในโตรดับเบิลไรฟิในมือเดาะขึ้นลงอยู่สองสามครั้งก็ยื่นส่งมาให้ระพีนกล่าวเสียงหนักๆต่อมาว่าศึกไอ้แหวง่งถ้าเกิดขึ้นในป่าข้างนอกปืนทุกกระบอกล้วนมีโอกาสที่จะใช้งานได้ทั้งสิน้น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 ไม่มีใครอ่านความรู้สึกนิคิดของใครถูกท่ามกลางความเงียบสงัดที่มีแต่เสียงฝีเท้าที่ย่องกลิบเข้าไปในความอัดทึบของโรงถ้ำและเสียงลมหายใจหนักๆของแต่ละคนการเดินย้อนรอยอยู่ในรูปเดิมเหมือนเมื่อขาเข้ามาแง่สายนําไปเบื้องหน้าถัดมาก็รพินดารินชัยยันและผ่านพื้นเมืองอีกสามคนตามลําดับไม่มีใครเอ่ยคําใดออกมาอีกเลยก่อนจะถึงบริเวณที่เต็มไปด้วยหูเพว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 ซุปซิบหาดูดกันแผ่วเบาพร้อมกับสองไฟสำรวจดูบริเวณนั้นอย่างถี่ถ้วนชั่วขณะหนึ่งกเกรียงร่างยักษ์ก็ออกเดินนําแยกไปทางซอกซ้ายมือด้านที่เคยนําเดินไปก่อนแล้วเมื่อเที่ยวขามาทุกคนใช้ฝิดฉายสองกลาดสำรวจไปมาอย่างระมัดรวังอึดใจเดียวก็มาถึงตรงบริเวณที่แง่ท า, ายหันหลังกลับเมื่อครั้งแรกจากกลําฝฉายที่พวยพุ่งออกไปทุกคนเห็นปากทางแคบๆตอนหนึ่งปรากฏอยู่ในระหว่างหรืบหินตีมผนัง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 นายพันตรีนอกราชการเบียดแทกเข้ามาแล้วยืนคนลุกชันทุกคนหันมาจ้องหน้ากันในความมืดอันคลุมเครือนั้นอยู่อึดใจหนึ่งโดยไม่ได้ปิดปากคำใดหัวใจเต้นแรงอย่างเงียบติดที่สุดแง่ท า, ายจรดฝีเท้านำหน้าแถวไประพินส่งไฟฉายในมือของเขาไปให้ดาลินช่วยถืออีกกระบอกหนึ่งสองมือกระชับไรเฟิลพร้อมทิ้งระยะห่างจากแง่ า, ายออกมาพอที่จะวาดปากกระบอกปืนได้โดยมิติด พุ่งสายตาตามแสงไฟฉายที่อีกหลายคนช่วยกันส่องกลาดอยู่ไปมานั้นตามไม่กระพริบผ่านปากทางไปตามซอกกูหาแนวตรงราวกับมีใครมาเจาะไว้นั้นเข้าไปประมาณ30บร้ก็ทะลุออกในส่วนที่กว้างขึ้นเล็กน้อยอากาศในถ้ำที่เย็นเยือกมาโดยตลอดบัดนี้เริ่มอบอ้าวขึ้นไอระอุชนิดหนึ่งโชยวูบว่าบเข้ามาสัมผัสร่างกายเหมือนลมที่พัดผ่านเตาเผาเหงื่อของทุกคนเริ่มซึม มันร้อนอ้าวขึ้นทุกขณะเมื่อรุดหน้าเข้าไปรอยตะค่ายอันเป็นเครื่องนําทางนั้นปรากฏให้เห็นเป็นครั้งคราวและเบาบางลงเป็นลําดับต่อมาก็ดีนเสียงอะไรชนิดหนึ่งดังปุดปุดอยู่เป็นระยะเหมือนวัตถุเหลวค้นที่เดือดอยู่ในกระทะจากแสงฝ่ายที่ส่องออกไปมีม่านควันขาวมัวเหมือนหมอกลอยอยู่ตรบอบอวนควันเหล่านั้นเริ่มหนาแน่นขึ้นทุกทีและเสียงเดือดปุดปุดนั้นก็ยิ่งได้ยินถนัดอากาศค้นหนัก นึกแล้วทางไปนรกสันดาปแน่แน่ดาลินกับซิบกับชายยันเบาที่สุดเพื่อนชายสาวท้าขึ้นมาประชิดคอยประคองหล่อนไว้กลิ่นฉุนเหมือนกรรมฐ า, านปกคลุมไปทั่วจนแทบจะหายใจไม่ออกออกซิเจนลดน้อยลงเป็นํำดับแต่แง่าสายยังคงนำรุดหน้าไปราวกับพุ่นทองแดงที่ปรสจากชีวิตจิตใจระพินเองแม้จะทรหดสักเพียงใดก็ตามบัดนี้เขาก็อยู่ในอาการกระสับกระส่ายไม่ผิดไปกับคนอื่น โดยไม่อาจคเนได้ว่าหนทางเบื้องหน้ามีอะไรรอคอยอยู่เกิดกับเซยเริ่มสำลักเบาๆทุกคนวิงเวียนและรู้สึกอ่อนเพลียหมดแรงลงโดยเฉพาะดารินหล่อนส่วนเซจะล้มลงหลายครั้งหากแต่ชา ย, ยันคว้าพยุงไว้ได้เอถ้ามันจะไม่ชอบกลนเส้ล้ามั้งละพินกระทะทองแดงคอยเราอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าก็ไม่รู้ช ย, ยันร้องออกมาเบาๆพรานใหญ่เหนียวไหลเงทรายไว ใช้สายตาเป็นคำถามก็เห็นนักพเนจรชาวโด่งผู้ทำหน้าที่เป็นมักกุเทศยิงฝันขาวไอ้แหว่งไปทางนี้แน่ผู้กองเรากำลังจะไม่มีอากาศหายใจและไอควันในโรกนี้ก็แทบจะทำให้หมดแรงอยู่แล้วข้างหน้ามีอะไรควันแล้วก็กลิ่นกรรมฐานเหล่านี้มาจากไหนบ่อโครนเดือดอยู่ห่างจากเราไปข้างหน้านี้ไม่ไกลนักเป็นคำตอบพร้อมกับรอยยิ้มเช่นเดิมเราจะผ่านกันไปได้หรือ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 ผมจะให้เกิดจันทร์และเสรยรออยู่ด้วยผมกับแงซายจะเข้าไปเพียงสองคนเขาหันมากระซิบถามอย่างความเห็นน้อยไหวไหมชา ย, ยานหันไปถามดารินด้วยความเป็นห่วงท่ามกลางควันที่ลอยขาวมัวอยู่รอบด้านมาด้วยกันก็ต้องไปด้วยกันลงนรกขุมไหนก็ให้มันรู้ไปนั่นเป็นคําตอบอย่างเด็ดเดี่ยวที่สุดจากนักมนุษยยากลสวยอดทนหน่อยนะครับผมเชื่อว่ามันคงไม่ถึงกับมีอะไรร้ายแรงนะัก ข้างหน้าเรามีบ่อโครนเดือดผ่านตรงนั้นไปอากาศคงดีขึ้นพยายามเดินซ้ำรอยผมทุกก้าวอย่าแยกห่างออกไปขบวนเคลื่อนต่อไปอึดใจใหญ่หลังจากนั้นทั้งหมดก็เดินเลียผนังท่ามเฉียดผ่านบริเวณปลักเลนที่กำลังเดือดเป็นพรายพักๆอยู่เสียงประหลาดที่ได้ยินเป็นเสียงของเลนที่ประตุเดือดอยู่ในปลักนี่เองมันถูกความร้อนระอุจากเบื้องล่างดันโป่งนูนขึ้นมาแล้วก็แตกประท้า ข, ขึ้นลูกแล้วลูกเล่า เหมือนจะไม่มีวันจบสิ้นส่งควันกลุ่นเหมือนของเหลวเขี่ยวอยู่ในกระทะกลิ่นกรมถนไหมระเหยออกมาพร้อมกับหมอกควันเหล่านั้นจนแทบสำลักทุกคนไม่มีเวลาพอที่จะาหาันไปพิจารามันและไม่อยากจะคิดคำหนึ่งด้วยว่าสาเหตุมันเกิดขึ้นจากอะไรจึงมีแหล่งบ่อโคลนเดือดอยู่ในถ้ำลึกใต้ภูเขาแห่งนี้เพียงสายตาชั่วเหลือบในขณะที่กราดไฟฉายผ่านไป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 ทุกคนช่วยกันเอาไปฉายส่องกลาดสำรวจไปรอบด้านทันใดนั่นเองจันผู้อยู่ท้ายขบวนก็ร้องเฮลออกมาสุดเสียงอย่างตกใจขีดสุดฝ่ายที่ถือในมือหลุดลงกับพื้นผงะหลังมาปะทะเกิดกับเสยพากันหกล้มกลิ้งลงแล้วเพีนหันขวักมาแต่เขาหมุนมายังไม่ทันครบรอบถ้าไม่ใช่ดาเรนก็คงเป็นชายยันถอยมาปะทะเขาเต็มแรงเสียหลักหงายหลังอีกคน สายเชือกที่ผูกเอวกันไว้พลอยกระชากให้งแง่สายขมำหน้าลงด้วยทั้งเจ็ดคนล้มลุกประท่ากันชุรมูลไฟฉายกระเด็นดุดจากมือไม่รู้เหนือรู้ใต้ท่ามกลางเสียงร้องลั่นไม่เป็นภาษาขอ ง, าาของพรานพื้นเมืองทั้งสามคนวินาทีของหัวใจอันแทบจะหยุดเต้นนี้แล้วพินภัยวันสำเนีจ ต, ตนเองว่านอนหงายอยู่กับพื้นรอบด้านมืดมิดไปหมดไร้เฟื่งยคงกระชับมั่นอยู่ในมือทั้งสองของเขา ความสว่างอันสองจ้าออกไปกลางถ้ํานโลกนี้มาจากไฟฉายของใครคนหนึ่งที่หล่นอยู่กับพื้นและเปิดค้างอยู่วันสองจับไปยังสิ่งหนึ่งอย่างถนัดตาสะท้อนภาพเข้ามาในจักรสุประสาทอันตรุนของเขาและทันทีที่เห็นประสาททุกส่วนดูเหมือนว่าจะกลายเป็นอมาภาาไปหมดความขาวโพลนเป็นประกายยามมอกระทบะําไฟคือแท่งงาอันมหึมางอนแหลมเจ้าของร่างยากากาักษ์ปักหลันราวกับสัตว์ยุคดึกดบาบรรนั้น ยืนต่างานอยู่ในซอกโขดหินบินปากทางที่ทุกคนโผล่ผ่านเข้ามานั่นเองหูใหญ่กลางพึงหัวขนาดต่มสามโคกก้มต่ำลงเล็กน้อยดูราวกับว่าเตรียมจะพุ่งงาลงมาใส่ไอแหว่งพญาก็จะสารร้ายยืนทมืนค้ำอยู่เหนือร่างของกลุ่ ม, มนุษย์ที่กำลังล้มพริ่งอยู่ในขณะนี้ห่างเพียงไม่กี่วาเท่านั้นเหมือนตกอยู่ในความฝันผีอำ ระ บ, บินงัดเสยปากระบอก1600ในโตขึ้นทั้งๆที่ยังนอนหนายอยู่จังหวะที่ปากระบอกยกขึ้นจ้องไปทางศรีศรษะนั้นเขารู้สึกเหมือนกับว่ามันเชื่องช้าราวกับร้อยปีก็ไม่ปานและมีอำนาจรีรับอะไรชนิดหนึ่งมาต่อต้านขัดขวางไว้นิ้วของเขาแตะอยู่ที่ไกแต่คุณพระช่วยนิ้วของเขาชนไหนจึงแข็งไปหมดมันไม่ยอมตดิจกจักรพับถึงช้างต่า คงยืนชะเงื้อมสนิดนิ่งอยู่เช่นนั้นฝ่ายมนุษย์ที่ร้มความกำมั ง, งายก็ดูเหมือนจะหยุดลมหายใจกันไปชื่วขนาดเบิกตาโตงจ้างนิ่งไปยังภาพนั้นราวกับถูกสะกดเสี้ยววินาทีต่อมาสติสัมปชัญญะ ก, ก็กลับคืนมาสู่รพินโดยครบท่วนเขาคอมเมนจ้องร่างอันใหญ่ตโตมโหฬาร น, นั้นตาไม่กระพิบประทับปืนมัน่นค่อยๆพ ย, ยงตัวรุกขึ้นยืนอย่างเตรียมพร้อม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 ดวงตาทั้งสองเบิกโพรงจ้องนิ่งสวนนำไฟมายังมนุษย์ราวกับแก้วสะท้อนแสงชายยันกระดิกตัวได้เป็นคนต่อมาคว้าไหล่เฟิ้นที่ตกอยู่ขึ้นมาอย่างตรีตลานแต่รพินตะคุบมือไว้หมดความจาเป็นเสียแล้วครับไอแหวนของเราสิ้นแล้วท่ามกลางความตึงพึงเพิดของทุกคนรพินลดปืนในมือลงอย่าง ช, ช้าหลับตาพร้อมกับถอนหายใจเชือ่อง และยืนนิ่งอยู่เช่นนั้นต่อมาทุกคนก็คลั่วพลาดลุกขึ้นมาด้วยกลิ่นอายของความงงงวยหรือที่จะกล่าวแน่ใจหรือว่ามันตายแล้วชยันร้องออกมาไม่ยอมลดปืนแล้วปิ่นเดินเข้าไปหยุดยืนอยู่ตรงหน้าพยาโคจรสาน เ, เ, เอื้อมมือไปแตะที่ปลายงาทางหันหน้ากลับมายัางทุกคนผู้ยังไม่สั่งจากตะลึงงงครับตายแล้ว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 ตำแหน่งที่มันยืนพิงขัดอยู่ในระหว่างซ่าหินมีเลือดหยดอยู่อีกกองหนึ่งและนั่นเป็นเลือดจํานวนสุดท้ายก่อนที่ชีวิตของมันจะปริตรปรงจากร่างไอแ้แหวงดับชีพมาแล้วกว่า6ชั่วโมงซึ่งคงจะเป็นเวลากลางดึกของเมื่อคืนนี้เองรบหินหันมามองดูหน้าทุกคนในคณะและไหนที่สุดก็จับนิ่งอยู่ที่นักมนุษยวิทยาคนสวยผู้กําลังยืนงันเหมือนจะไม่เชื่อในสายตาจากภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้า ผมและพวกเราทุกคนภูมิใจแทนให้แก่คุณชายเชิดาครับในข้อที่ว่าน้องสาวของคุณชายได้ปฏิญาณไว้ว่าจะแก้แค้นให้แกพี่ชายและในที่สุดเธอผู้นั้นก็ทำได้เหมือนเช่นที่พูดจริงๆหมายความว่ายัางไงกันดาดินร้องล้านออกมาลืมตากว้างก็หมายความว่าคุณหญิงดักแหว่งด้วยมือเองแท้ๆโดยที่คุณหญิงก็ไม่รู้ตัวและคงไม่เชื่อมา ก, ก่อนอย่าประหลาดใจเลยครับ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 แล้วพีนไม่ได้หลอกเธอหลอกมันเป็นความจริงไอ้แหว่งดับลงด้วยกระสุนที่เธอยิงส่งเดชนัดนั้นแหละมันเป็นกระสุนนัดจักรันทีเดียวหลักฐานก็เห็นอยู่นี่แล้วเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ล้มทันทีอยู่กับที่เท่านั้นมันพผลหนีมาได้แล้วเศรซอนมันหลบยืนตายอยู่ที่นี่เพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหวบริวารของมันสองตัวช่วยกันประคองมันเข้ามาไว้ในนี้ถ้าเราไม่ตามมันมาจนกระทั่งพบตัวขาหนังขาขาวเช่นนี้เราก็จะไม่รู้เลยว่ามันตายเสียแล้ว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 ยกมือขึ้นรูปแผ่วเบาอยู่ที่ปลายงาน้ำตาคลอพึรรมพำเบาๆกับซ่าของมันอโหสิหมดสิ้นเวรกรรมต่อการเสีถิดนะ้าพญาช้างสารชาติก่อนนี้ข้ากับเจ้าคงจะมีกรรมผูกพันกันมาชาตินี้ขอให้สิ้นสุดกันเพียงแค่นี้ขอให้เจ้าไปเกิดในภูมิที่ดีกว่านี้กุศลใดๆก็ตามที่ข้าเคยทาไว้ขอแผ่อุทิศไปให้แก่เจ้าในโรคหน้า วิญญาณของเจ้าณ บ, บัดนี้ร่องรอยอยู่ที่ใดจงมารับรู้ในคำขอมาและกุศลจิตของข้าด้วยกล่าวจบราชาสกุลสาวก็พนมมือขึ้นจบไหว้าชากนั้นสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดก็ผ่านปรากฏขึ้นต่อหน้าของทุกคนในบัดนั้นซากของราชาแห่งช้างป่าผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งยืนทมืนพิงผน้ำถ้ำไว้ด้านหนึ่งและกลุ่มโคถิน ง, งอกอีกด้านหนึ่งเริ่มเคลื่อนไหวน้อย แล้วค่อยๆสุดลงมาหมอบฟุบอยู่กับพื้นอย่างสงบราบคาบเป็นดุษณีตรงหน้าแทบเท้าของดารินวราริตทั้งหมดที่นั่งภาพกันอยู่ทะลึ่งพรวดขึ้นยืนเสียงชายยานร้องออกมาลั่น่ําทุกคนขนลุกชันขึ้นทั้งตัวในปรากฎการอันปาฏิหารนั้นหญิงสาวเองบัดนี้ก็ยืนตะลึงตัวแข็งเย็นเฉียบไปทั้งล่างหล่นมารู้สึกตัวอีกครั้งหนึ่งเมื่อมืออุ่นของใครคนหนึ่งรอยมาแตะที่แขน พอหันกลับมาก็เห็นพรานใหญ่ยืนอยู่ข้างๆกำลังมองจับมาที่รอนด้วยแววตาขรึมกระซิบชัยชนะเป็นของคุณหญิงโดยสมบูรณ์ที่สุดแล้วครับไอแหวงยอมรับคำคำามาและยอมล้มให้แก่คุณหญิงแล้วเรากลับกันได้แล้วครับบทงานหนักในเรื่องนี้สบายใจกันได้เสียทีหญิงสาวถอนใจยาวอีกครั้งเอื้อมมือไปรูปไร้ที่ศรีรษาอันใหญ่โตมหึมานั้นเป็นครั้งสุดท้าย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 ในเงาสรัวของเวิง่้มใหญ่แลเห็นใบหน้านั้นเป็นมันละเรื่องอนุญาตไหมครับผมมีสิ่งที่จะบอกกับผู้กองและนายทั้งสองคนลพินชายยันและดาดินจ้องหนุ่มชาวดงพเนจรอย่างประหาใจก่อนที่พราใหญ่ดิชั ย, ยันจะพูดช่นไรนั่นเองดาดินก็พยักหน้าตอบมาโดยเร็วอนุญาตเธอมีอะไรหรือแง่สายแง่สายอึ้งไปอึดใจมองศตาลพินนิ่ง ทำท่าเหมือนจะรังเลอะไรอยู่จนกระทั่งเขาพยักหน้ามาอีกคนว่าไปแง่ทายฉันและนายทั้งสองกําลังรอฟังแกอยู่ผู้กองจะต้องไม่โกรธผมเอาละฉนรับรองผู้กองเคยโกรธผมมาแล้วในเรื่องที่เก็บเรื่องด่านลับเชื่อมติดต่อระหว่างป่า น, นอกกับผูกหมาหอ น, นิไว้โดยไม่บอกให้รู้จอมพรายยิ้มแยะจ้องแง่ทายเขม็งอืมใช่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 เอาละไหนบอกมาซิมันเป็นเพราะอะไรแกถึงเล่นเหลื่มปิดบางด่านลับที่แกรู้นี่ไว้ทั้งๆ ท, ที่แกก็รู้ว่าผู้กองกำลังค้นหากันอยู่และเป็นปัญหาสำคัญที่สุดระหว่างการติดตามรอยไอ้แหว่งถ้าผมบอกเสียแต่แรกในขณะที่ผมกับผู้กองตามมันมาคราวก่อนเสียงห้าวกลงวานนั้นเอ่ยขึ้นอย่างเชื่นช้าชัดถ้อยชัดคาคณะของเราทั้งหกคนครั้งนั้นก็จะประจันหน้ากับไอ้แหวง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 พระธุดงบอกผมไว้ว่าจะไม่มีพ่านคนใดเลยที่ฆ่าไอ้แหวงได้นอกจากแหน่าสายหันไปทางดารินกล่าวต่อมาว่าผู้หญิงคนหนึ่งเท่านั้นและผู้หญิงคนนั้นก็เป็นคนเดียวที่ร่วมอยู่ในคณะเดินทางของเราทั้งหมดนี่ชะตาของไอ้แหวงจะถึงการแตกดับไปตามวาระด้วยน้ำมือของผู้หญิงคนนี้อันเนื่องมาจากบุพกรรปางก่อน จะมีใครอื่นอีกในคณะของเราที่เป็นผู้ mantra, หญิงนอกจากนายหญิงคนเดียวเท่านั้นการติดตามสังหารไอแหวงถ้าปราศจากนายหญิงสีคนเดียวแล้วจะไม่เกิดผลขึ้นเลยนอกจากความตายของพวกเราครั้งก่อนนายหญิงไม่ได้ไปด้วยอยู่ปางพักเพื่อยาบาลนายใหญ่ถ้าเราประจันหน้าไอแวงเราตายแต่มาครั้งนี้บังเอิญมีนายหญิงมาด้วยเหตุการณ์ตรงกันกับที่พระุงค์ท่านบอก และนี่จึงเป็นเวลาที่ผมควรจะเปิดเผยเรื่องด่านลับให้แก่ผู้กองแล้วเหตุการณ์มันก็เป็นไปตามคำทำนายของท่านทุกอย่างไอ้แห่งตายด้วยน้ำมือของนายหญิงผู้กองจะเชื่อผมหรือไม่ก็ตามแต่นี่คือสิ่งที่ผมได้มาจากความฝันทั้งสามหันไปดูหน้ากันงานไปครูใหญ่ด้วยความรู้สึกอันยากที่จะบอกได้ในที่สุดระพินก็แค่นยิ้มออกมาอืมดูมันช่างเข้าคาวจริงนะไอ้เพื่อนยาก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 ผมไม่ได้นำเรื่องนี้ขึ้นมาบอกเพื่อกล่าวแก้ความผิดอย่างที่พกรเข้าใจมันมีอะไรมากกว่านั้นโปรดฟังผมอีกสักนิดก็ว่าไปสิผมพูดสิ่งนี้ขึ้นเพราะได้ยินว่าเราจะมาเอางาของไอ้แหวงไปก็แกคิดว่าควรจะทิ้งเสียงันล่อชาวด่งผู้ลึกลับมองไปทางชายยันและดาลินอย่างเร่าร้อนกวนกวายแล้วเอ่ยขึ้นด้วยเสียงวิงวอนว่าได้โปรดเถครับโปรดเชื่อผม อย่าแตะต้องกับงานของไอ้แหวงปล่อยมันให้นอนตายอย่างสงบไม่มีอะไรบรบกวนตรงที่ที่มันมาตายอยู่เราฆ่ามันได้แล้วนั่นเป็นสิ่งที่เราควรพอใจที่สุดมันจะรุกขึ้นมาไล่เหยียบหรือไล่แทงเรางั้นหรือถ้าเราเอางานของมันไปความหายนาวิบัติจะมาถึงพวกเราทั้งคณะไม่เร็วก็ช้าแต่ในระหว่างการเดินทางข้างหน้าของเรานี่แหละทุกสิ่งที่พระธุดงในฝันของผมทานายไว้ ตรงกับความจริงมาหมดแล้วถึงผู้กองหรือเจ้านายจะไม่เชื่อก็โปรดเห็นแก่ผมและเว้นในสิ่งที่ผมขอร้องนี้สักครั้งเถิดทั้งสามดิ่งอึ้งกันไปอีกครั้งกระแสเสียงของแง่ทายหนักแน่นจริงจังเปลี่ยนไปด้วยความวิงวอนชนิดไม่เคยปรากฏมาก่อน ท, อทําไมพราะทุดงของแกบอกไว้ด้วยว่าถ้าเราเอางามันไปพวกเราจะพบกับความวิบัติชัยยันถามมาอย่างทึ่งๆครับเจ้านายได้โปรดเถอะ บอกความจริงนี้ให้แกนายใหญ่ทราบด้วยและช่วยกันขอร้องวิงวอลนายใหญ่ไว้อย่าให้คิดเอางาของไอ้แหวงไปเลยตลอดเวลามาแง่สายไม่เคยพูดไม่เคยขอร้องอะไรนอกจากจะรับใช้และปฏิบัติตามคำสั่งอย่างซื่อสัตย์สุดจริตประการเดียวแต่ในครั้งนี้แง่สายขอทวงสักครั้งชา ย, ยันหันไปทางพรานใหญ่เ อ, อ่ยขึ้นต่าๆน่าคิดนรพินน่าคิดมากทีเดียวสาหรับคาพูดของแง่สาย อะไรอเราก็เห็นชัดกันกับตาออกไปแล้วในเวลาสุดท้ายจริงๆแม้จะตายไอ้แหวงก็ยังอุตส่าห์เข้ามาตายอยู่ในแหงอันมิชิตของมันเต็มไปด้วยสง่าและศักดิ์ศรียืนตายผิดไปกว่ามนุษย์หรือสัตว์ทั้งปวงต่อเมื่อน้อยขอคำมาและอาหสิต่อซาของมันนั่นแหละซาของมันจึงหมอบซุดลงแม้ว่าเราจะไม่เชื่อความฝันของแง่ซายเลยเราก็ควรจะยกให้แกสองสิ่งโดยการและเว้นที่จะเอา nga ของมันเสีย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 ป่อให้มันติดคาซาเป็นอนุสรสมศักป์พยาคสสารของมันอยู่ยังสุดสารแห่งนี้เถิดดารินเอื้อมมือมาจับแขนรัพพินไว้กล่าวแผ่วๆมาอีกคนทายันพูดถูกแล้วคารพินฉันเองก็กำลังคิดอย่างเขาเหมือนกันภายหลังจากนิ่งคิดอยู่เป็นครูใหญ่จอมผานก็ยิ้มออกมานิดหนึ่งมองไปยังแง่ทรา ย, ายซึ่งบัดนี้คงจ้องนิ่งมาที่เขาอย่างร้อนรุ่มเ อ, อ่ยขึ้นน้าเสียงอ่อนลงว่า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 อย่าวิตกไปเลยแงาซายฉันรับรองว่านายอยาอย่จะต้องทำในสิ่งที่เธอขอร้องนี่แน่นอนภายหลังจากรู้เรื่องโดยตลอดจะไม่ให้ใครมาแต่ต้องซาของพญาช้างตัวนี้ได้นอกจากจะปล่อยให้มันนอนสงบอยู่ในสุสานแห่งนี้ตราบจนชั่ว น, นิรันด์แงาซายพึมพาอะไรอยู่ในลำคอตาเป็นประกายเ่ยมใสขึ้นก่อนที่จะผลกออกมาจากเวงถ้านั้นรับพินเดินเข้าไปหยุดยืนนิ่งอยู่หน้าซาของกศสาร และยกมือขึ้นแตะปีกหมวกคารวาให้แก่ร่างอันปัสจากวิญญาณของมันทุกคนสงบนิ่งอยู่กับที่อีกอึดใจใหญ่ราวกับนัดกันไว้เหมือนจะเป็นการไว้อะไรต่อจากนั้นก็พากันคำทางย้อนกลับออกมาทิ้งซากและสุสานใต้คุณเขานั้นไว้เบื้องหลังบ่ายโมงเศษเล็กน้อยตาเขมาถึงปากทางใต้ม่น้ำตกที่เข้ามาเมื่อเช้านี้แววเสียงสะเทือนกระหึ่มกล้องคล้ายฟ้าร้องดังเข้ามาอย่างถนัด แสงสว่างของกลางวันที่สมควรจะส่องผ่านฉากน้ําตกอันปิดบังอยู่เข้ามากลับมือสรัวลงอย่างประหลาดแทบว่าจะสังเกตอะไรไม่เห็นเมื่อเสียยิ่งกว่าเมื่อตอนเช้าตู่ที่ผ่านเข้ามาเสียอีกเอรู้สึกว่าข้างนอกฝนจะตกนะชยันเอ่ยขึ้นพร้อมกับยกนาฬิกาขึ้นสังเกตเข็มพรางน้ําคงหนักด้วยไม่งั้นคงไม่มืดเป็นหมดอย่างนี้ดาลินพึมพำส่องไปฉายกาวไปยังม่านน้ําตกที่เป็นฉากบังอยู่ แต่มองไม่เห็นอะไรนอกจากสายน้ําหนาทึบที่กระโจนลงมายังแอ่งน้ําข้างล่างเสียงดังอยู่กึกกล้องอื้ออึงแล้วปีนสั่งให้เกิดลุยน้ําฝ่าม่านน้ําตกออกไปสํารวจดูร้านเราก่อนเกิดวางปืนและสัมภาระที่ติดตัวลงเดินลุยน้ําตัวกล่าวหายออกไปอิดใจใหญ่ก็โผล่กลับเข้ามาร่างกายเปียกโชกหนาวสัน่นปีนขึ้นมายัางบริเวณปากถ้าที่ทุกคนกําลังรออยู่ทั้งฝนทั้งพายุทีเดียวครับ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 นิวมอเนียหล่อนเงียบไปชายยันก็ตัดสินมาว่าพากรอฝนหยุดก่อนจะรีบร้อนไปไหนกันนะน้อยเสร็จศึกไอแหว่งก็เย็นใจได้แล้วไม่เห็นมีอะไรต้องเร่งรีดมีที่หลบฝนอย่างสบายสบายแล้วยังจะออกไปให้เปียกอีกหรือตามใจฉันไม่ใช่อะไรหรอกใจไม่ร้อนอยากจะกลับไปให้ถึงแคมป์เสียวันนี้เท่านั้นก็ น, นึกว่าระยะทางเดินเพียงสามสี่ชั่วโมงเราพอจะกรัมฝนกันไปได้แต่ถ้าไม่เห็นด้วยก็แล้วไป ทั้งหมดถอยห่างจากบริเวณปากถ้ำ้าไปเล็กน้อยพอยผลจากระอองน้ำแล้วลงนั่งพักจันเอาใต้ขึ้นมาจุดสว่างโชนปักไว้ริมผนังเสรยติดเตาฟู่ขึ้นต้มกาแฟในขณะที่เกิดกับแง่ายช่วยกันเปิดอาหารกระป๋องตามคำสั่งของชัยยานแจกจ่ายกันกินประทางความหิวนานๆครั้งจะได้ยินเสียงฟ้าผ่าแว่วผ่านเสียงมานน้าตกเข้ามาพายุฝนเบื้องนอกคงจะรุนแรงไม่ช่น้อยทีเดียว หวังว่าภูเขาทั้งลูกมันคงไม่ถล่มลงมาทับเรานะชยันเอ่อย่างอดสนุกไม่ได้ขณะที่เหลือขึ้นไปมองดูเพาดานถ้าก็ไม่แน่นักอย่าเห็นเป็นเรื่องเล่นไปดาลินตอบมาเบาๆควักบุหรี่ออกมาจุดสูบแววตามีกังวลเมื่อคราวไม่หิงสาตัวนั้นล้มจําไม่ได้หรือว่าฝนตกหนักอย่างนี้แล้วคืนนี้เราก็โดนน้ําป่าเล่นงานเกือบตายมาคราวนี้ไอ้แหวงล้มฝนก็เทเป็นฟ้าร่วลงมาอีก มันจะเกิดอะไรขึ้นอีกก็ไม่รู้ใจมันชักไม่ค่อยจะดีเลยเหลวไหลน่าน้อยคราวนั้นเป็นเรื่องบังเอิญต่างหากเราดันไปพักนอนกันริมทางน้ําพอดีเสียแรงเป็นมือพิชิตในแหว่งไม่น่าจะขวัญอ่อนขึ้นมาแบบนี้นักมนุษยวิทยาสาวถอนใจเบาๆใบหน้าสลดตรงฉันยอมรับว่าประสาขอฉันมันไม่มั่นคงอย่างไรพิโกนตอนที่ตามล่ามันก็เข้มแข็งดีอยู่หรอกแต่พอพบซาคของมันยืนตายอยู่เช่นนั้น ใจหายยังไงบอกไม่ถูกรู้สึกไม่สบายใจเลยความจริงไอ้แหวงไม่น่าจะมาตายด้วยมือของฉันมันควรจะตายด้วยมือของคนอื่นซิ่นฉันคงจะสบายใจกว่านี้มากรักจะเป็นนักล่าที่ดีต้องฝึกระสาทให้มันคงเสมอต้นเสมอปลายเสียงผานใหญ่บอกมาด้วยน้ำเสียงปลุกปลอบสัตว์ใหญ่ที่ดุร้ายมีอิทธิพลอยู่ในตัวของมันเองเสมอแม้ว่ามันจะตายไปแล้ว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 ดาดินฝืนยิ้มมองไปทางผู้พูดด้วยความรู้สึกที่อบอุ่นขึ้นคิดอยู่ในใจว่าชายผู้นี้เป็นครูฝึกเป็นพี่เลี้ยงรวมทั้งหลักประกันอันมั่นคงสำหรับหลอนในชีวิตกลางป่ามาตลอดยังพิสวง์อยู่จนเดี๋ y n ี้ว่าถ้าปราศจากเขาผู้นี้เสียแล้วหลอนจะตกอยู่ในฐานะเป็นไรครั้นแล้วชั่ววูบหนึ่งหลอนก็บอกกับตนเองว่าไม่มีอะไรที่หลอนจะต้องสะทกสถานอีกแล้วในอาณาจักรพงไพร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 มีรอยแผลจากปืนขนาดจุดสี่ห้าแปดนัดหนึ่งทะลุตะโพกด้านซ้ายของมันเป็นแผลใหญ่มากแต่ไม่ถูกกระดูกและอวัยวะภายในไอแหว่งไม่สะเทือนเลยเดินออกตัวปลิวแต่จุด3ามศแมกน้าลุกเล็กๆของคุณหญิงนัทนั้นร้อยพวงมันทําลายระบบเครื่องในพินาศไปถึงแม้จะพาดหนีมาได้ในครั้งแรกมันก็มาพบกับเวลาสุดท้ายจนได้อย่างที่เห็นอยู่แล้วชัตตาของไอแหว่งต้องมาดับกับมือของคุณหญิง อาจเป็นอย่างแง้ทรายว่าก็ได้เป็นยังไงคราวนี้เห็นฤิ์เจ้าเอเธียบีกระบอกนี้ของฉันแล้วยังล่ะไม่อยากถือบ้างละจะฟาดกับต้นไม้หักทิ้งบ้างละถ้าไม่ใช่จุดสามแมคกนัมกระบอกนี้ไอ้แหว่งก็ยังไม่ตายเพื่อนชายได้ทีว่าหม่อมราชวงศ์สาวยิ้มจืดจืดรูปคำไรเฟิลกระบอกที่ประจำมืออยู่เอาละกลับไปถึงแคมป์จะตั้งบูชาติดทองให้เลยตืนเธอกระบอกนี้ เชิดฐาและพวกเราทุกคนที่แคมป์คงจะดีใจมากถ้ารู้ข่าวเข้าคงไม่นึกด้วยซ้ำว่าพวกเราจะได้ตัวมันรวดเร็วถึงอย่างนี้ในการออกตามครั้งสุดท้ายเฮ้อลงอกไปทีไอแหว่งตัวเดียวที่เอาพวกเราย่ำแย่แผนการต่างๆคลาดเคลื่อนเสียหมดเกิดยิ้มน้อยยิ้มใหญ่พูดมาอย่างกริิมกะเกลียว่าเจ้าหน้าอย่าลืมเลี้ยงฉลองให้มโหรานนะครับเวลาเรากลับไปถึงแคมป์ชยันหัวเราะลั่น ตบไหลเด็กหนุ่มพรานพื้นเมืองของรพินรับรองตะเกิดพวกแกเป็นได้เมากริ้งกันหมดทุกคนแหละฉะลองกันให้สนั่นป่าเลยเจ้าป่าเองก็คงจะคลื้คื้นไปด้วยเพราะรับบนไว้แยะหวังว่าไอ้แหวงคงไม่มีน้องชายหรือพี่ชายโผล่ขึ้นมาทําศึกแก้แค้นกับเราอีกนะดาลินพูดปนหัวรอกกร่อ ย, อยท่าทางของหล่อนแทนที่จะร่าเริงภาคภูมิใจในโชคชัยและฝีมือของตนที่พิชิตไอ้แหว่งลงได้กับเงียบขลึมเศร้าซึม พรานใหญ่รอบสังเกตยอยู่เงียบๆเบขารู้ว่าหล่อนไม่เจ็ดแข็งอะไรนักถึงอย่างไรผู้หญิงก็คือผู้หญิงนั่นเองขอสัมภาษณ์ในพรานสาวผู้ยิงใหญ่หน่อยเถอะเล่าให้ฟังละเอียดหน่อยสิเธอยิงแหว่งได้ยังไงตอนนั้นชายันถามยิ้มยิ้มในการสนทนาข้าเวลาตอนหนึ่งระหว่างนั่งรอฝนก็อย่างที่บอกแล้วหล่อนตอบเนื่อ ย, อยมันวิ่งผ่านหน้าฉันตรงเข้าแทงพลานใหญ่ สีข้างของมันห่างจากชั้นเพียนสองสามวาเท่านั้นฉันหันปืนตรงเหนีย่ยวไกออกไปอย่างตะลีตะเหลือกยังไม่ทันประทับด้วยซ้ํมามันร้องร่านแล้วก็วิ่งตะลุยมาข้างหน้าอย่างเร็วดีเดียวเข้าไปดูก็เห็นเลือดทะลักกองอยู่เป็นหย่อมหย่อมฉันวิ่งตามหลังมันไปสองสาก้าวจะยิงซ้ําแต่กระสุนหมดชุดพอดีกว่าจะบรรจุใหม่มันก็หายไปแล้วรู้ว่านัดที่ยิงไป น, นั้นถูกแน่แต่ไม่คิดว่าจะทาให้มันถึงตาย อย่างดีก็นึกว่าทะลุผ่านช่องท้องไปเท่านั้นตอนที่ตามรอยเลือดแง่ท า, ายเข้ามากระซิบบอกฉันว่าไอ้แหว่งอยู่แน่ฉันยังไม่เชื่อแปลว่าฟุกจริงๆหรือนัดนั้นใช่ฟุกอย่างที่สุดเพราะไม่ได้เรลงเลยเหนี่ยวใครออกไปส่งเดทด้วยสัญชาตญาณเท่านั้นแล้วก็ไม่คาดฝันด้วยว่ามันจะได้ผลถึงเพียงนี้ตอนนั้นเธอก็ยังต่อว่าฉันว่าถ้าฉันยิงให้ปรา น, นีสักหน่อยไอ้แหว่งก็กลัจะกองอยู่กับที่แล้ว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 แต่เป็นคุณลักษณะประจำตัวของแต่และบุคคลออกไปทีนี้เมื่อมาประกอบกับฝีมือยิงปืนที่แม่นยาเป็นทุนเดิมอยู่ก่อนแล้วของคุณจิงก็ยิ่งสัตว์สิทธิ์ขึ้นอีกจริงอย่างผมนี้สัตว์มันไม่ค่อยจะเข้าทางปืนให้เลยชายยานยอมรับอย่างเห็นด้วยเป็นอันว่าวันนี้เราหลงตามกันเสียแทบแย่โดยหารู้ไม่ว่าที่แท้ไอ้แหวงตายเสียแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนี้ ดีที่คุณอ่านเหตุการ์ถูกย้อนกลับเข้ามาตามจนพบซ่าของมันถ้าไม่พบและยุ่งทีเดียวเราก็เข้าใจกันอยู่นี่เองว่ามันคงยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ไม่ต้องคิดทำอะไรต่อไปแล้วนอกจากคอยตามมันเก้ออยู่นี่เองเสียเวลาตายเลยรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับตอนที่โผู้พูดพลาดเข้าไปพบมันยืนตะงาอยู่ริมทางที่พวกเราผ่านเข้าไปแล้วผินถามพร้อมกับหัวเราะอดีตนายทหารปืนใหญ่กระเดือกน้าลายลงคอ จุ๊ปากเบาๆโครงศีรษะเจ้าประคุณเอออย่าให้บอกเลยผมบรรยายความรู้สึกตอนนั้นไม่ถูกหรอกก็ <S 2> <S 2> คิดอย่างเดียวว่าพวกเราต้องตายหมดแน่แล้วมันจู่โจมกระทันหันเหลือเกินนี่แต่คุณก็ใจเย็นสติดีเหลือเกินนะยังอุตส่าห์พิจารณาโดยจะรู้แน่ว่ามันตายเสียแล้วโดยไม่จำเป็นต้องยิงให้เปลืองกระสุนไม่ใช่ใจเย็นหรือสติดีอะไรหรอกครับผ่านใหญ่สารภาพผมเองก็ตัวแข็งไปหมดเหมือนกัน นิ้วกระดิกไก่ไม่ออกจังหวะนั้นถ้าไอ้แหว่งยังไม่ตายและดักคอยเราอยู่แล้วก็ผมยิงไม่ทันเด็ดขาดพอได้สติขึ้นใหม่ครั้งก็พอดีสังเกตเห็นว่ามันตายเสียแล้วพวกเราเองจึงเหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่ว่าแต่ไอ้พวกลูกโขง ข, งของมันเถอะรู้สึกว่ายังเหลืออยู่อีกหลายตัวไม่ใช่หรือพยาของมันตายแล้วแบบนี้พวกนั้นก็เห็นจะไม่มีฤิ์มีเดชอะไรหรอกครับ ความร้ายกาต่างๆของช้างโขงนี้มันเกิดขึ้นเพราะอิทธิพลไอแหว่งตัวเดียวเท่านั้นหมดมันเสียบริวารมันเหล่านั้นก็ตายเป็นช้างป่าธรรมดาไปและจะต้องเข็ดไม่กล้าหลังควานมนุษย์อีกแล้วหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเสียงฟ้าที่กำนกลองอยู่ตลอดเวลาเบื้องนอกเงียบหายสนิทไปแล้วและบริเวณปากทางอันมีฉากน้ำตกกั้นอยู่ก็พอมีแดดของยามบ่ายสองรอข้ามาเกิดรยน้ำออกไปสำรวจดูราดลาวอีกครั้ง แล้วก็โผกลับเข้ามาบอกว่าฝนเบื้องนอกขาดหายไปหมดแล้วแล้วผินสั่งเก็บของเตรียมตัวออกเดินทางต่อจากนั้นอีกครู่เดียวทั้งหมดก็ลุยน้ำฝ่ามา่านน้ำตกออกมายังบริเวณเวบื้องนอกซึ่งบัดนี้ท้องฟ้าเริ่มจะโปร่งใสเหลือแต่เพียงระอองบางๆอยู่ทั่วไปเราจะถึงแคมป์ประมาณหกโมงเย็นนี้เขาบอกกับนายจ้างทั้งสองและออกนำใบหน้าตัดป่าอันกาลังเปียกชุม่มมุ่งกลับค่ายพัก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 ขมวดคิว้วเพราะได้ยินเสียงเอะเกลียวกาวเบื้องนอกพงกตัวขึ้นมาจากเก้าอีา้ผ้าใบมองหน้าบุญคําผู้กกาลังสูป่ปลมตะเกียงเจ้าพยุอยู่เอ๊ะพวกข้างนอกตื่นเต้นอะไรยังไม่ทันจะขาดเสียงของเขาก็ได้ยินเสียงโห่ร้องสแสดงความปิติยินดีของพวกลูกหาบอึงคันึงไปหมดบุญคําเปลี่ยนพวดไปที่ประตูเต็นแล้วร้องบอกมานายครับทานใหญ่กับพวกเราทุกคนกลับกันมาแล้วคงได้ตัวไอ้แหวงแน่ เสียงพวกรุกหาโผ่ร้องดีใจใหญ่อดีตทูตทหารบกเชื้อพองแทบจะลืมบาดแผลที่ขาของเขาผุดทุกขึ้นโดยเร็วควาหมายยานเดินขยเเยกออกมาบุญคาก็ปาดเข้ามาประคองเมื่อโผล่พ้นประตูเต็นมองเห็นคณะได้แหวงทั้งเจ็ดคนกำลังเดินตรงเข้ามาห้อมร้อมมุงหน้ามุงหลังด้วยพวกรุกหาชัยยานเดินนาหน้าเคียงคู่มากับดารินส่วนพรานใหญ่ตามมาล้างท้าย เชิถาตะโกนถามออกไปเต็มเสียงด้วยความตื่นเต้นระคนร้อนใจหมดห่วงได้แล้วเรียบร้อยทุกอย่างชายยันร้องบอกมาปนหัวเราะร่าก่อนที่จะถึงตัวหัวหน้าคณะหน้าแดงเรือบีบแขนบุญคำแน่น พ, พึมพำออกมาด้วยเสียงอันลงับความปิติไว้ไม่ได้พานใหญ่ของนายไม่เคยทำให้ฉันผิดหวังเลยสักครั้งบุญคาผู้ที่เข้ามาถึงตัวเชิาคนแรกคือนักมนุษยวิทยาผู้เป็นน้องสาว โผก่เขากอดพี่ชายไว้แน่ในใบหน้าแช่มชื่นสดใสก่อนอื่นใดทั้งสิ้นหล่อนสำรวจดูอาการยืนทรงตัวของเชธธิฐาซึ่งเห็นได้ชัดว่าบาดแผลทุราลงเป็นลำดับสุขภาพสดชื่นแข็งแรงขึ้นยิ่งทำให้หลอนยินดีชายยันเข้ามาโอบกอดเขาไว้อีกคนหนึ่งและจะพูดเช่นไรบ้างเชิดาไม่ได้ยินเพราะมัวแต่ตื่นตระหนกในข่าวดีนั้นอยู่สายตาของเขากราสำรวจไปยังทุกคน แล้วมาหยุดนิ่งอยู่ที่ระพินผู้ก้าวก็มาถึงคนสุดท้ายระพินหวังว่าผมคงไม่ได้ฝันไปนะงานล่าตัวไอแหว่งของพวกเราสำเร็จลงแล้วใช่ไหมพรานใหญ่ยิ้มอย่างสารวมตามลักษณะเดิมของเขาก้มศรีรษะลงครับคุณชายเราล้มมันได้สำเร็จแล้วเป็นความจรงิงครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นเชิถา็ได้รับทราบเหตุการณ์ในระหว่างการติดตามล่าพยากคเชสารร้ายโดยละเอียดที่สุด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 ในโชคชัยครั้งนี้น้อยทําได้สมกับที่ตั้งใจไว้ทุกอย่างสําหรับเรื่องซาของไอ้แหว่งที่ตัวมันเองเลือกเข้าไปหลบตายอยู่ในถ้ำใต้ภูเขาหลังจากชายยันกับน้องสาวช่วยกันเล่าให้ฟังว่าแง่ทายได้พูดขอร้องไวเช่นไรเชษฐานิงเงียบไปคู่ใหญ่อย่างใคร่ควรลึกซึง้งแล้วพยักหน้าเรียกแง่ทายเข้ามาเป็นความจริงหรือแง่ทายจริงครับนายใหญ่แง่ทายไม่โกหก กเกรียงล่างยักตอบห้าห้าดาดินช่วยพูดขอร้องมาพร้อมทั้งยกเหตุผลขึ้นประกอบเพื่อให้พี่ชายยอมปฏิบัติตามคำขอร้องของคนใช้ชาวดงเชษฐามองไปทางชายยันเหมือนจะยังความเห็นสหายรักของเขาก็บอกมาตําๆว่ามันน่าคิดไม่ใช่น้อยเหมือนกันแหละในข้อนี้ถ้าจะพิจารณาดูตามถ้อยคําของแง่รา ย, ายและพฤติการที่เกิดขึ้นแล้วทั้งหมดเชษฐายกมือขึ้นรูปปลายคาง ส่งสายตาไปทางพรานใหญ่ผู้นั่งสงบอยู่ถามความเห็นเป็นคนสุดท้ายคุณคิดว่ายังไงระพินพรานใหญ่ยิ้มนิดหนึ่งตอบเสียงเรียบว่าผมไม่มีความคิดอะไรทั้งสิ้นในเรื่องนี้ครับทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณชายเท่านั้นอดีตทูตทหารบกหันไปจ้องแง่ร า, ายอีกครั้งและยิ้มให้ดวงตาอันชาญจราดรอบข้อของเขาเป็นประกายแกเป็นคนพูดน้อยแง่ราย ฉะนั้นเมื่อแก่พูดออกมาฉันจึงคิดว่าควรรับฟังแกไว้บ้างอีกประการหนึ่งเท่าที่ร่วมทางกันมาแกก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าแกมีคุณค่าแกคณะของเรามีความดีไว้กับฉันเป็นส่วนตัวเอาละเป็นอันว่าฉันยินยอมให้เป็นไปตามคำขอร้องของแกเราจะไม่ไปแตะต้องกับซา ข, ของไอแ้แหวงอีกเลยแสงแห่งความปิติปลาโมดผ่านแว บ, บไปในดวงตาใหญ่งามคู่นั้นเสียงห้ากวงวานดังตอบมาว่า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 ต่อไปนี้จะไม่มีโขลงของไอ้แหวงไปสำแดงอิทธิลทิ์หลังควานพวกบ้านป่าอีกแล้วอย่างนั้นใช่ไหมผู้กองประโยคหลังหล่อนถามข่าวพร้อมกับรอยยิ้มแล้วเพียเหลือบตาขึ้นก็เห็นดวงตางามเป็นประกายพราวสใยจับมาก่อนแล้วเขาหัวเราะต่ตําๆก้มศรีรษะให้หรอนนิดนึงผมไม่ทราบว่าพวกบ้านป่าเหล่านี้จะเคารพนับถือศรัทธาหรือว่าเชื่อฟังผมสักขนาดไหนแต่เหตุผลอีกข้อหนึ่งที่คุณหญิงว่าดูจะศักดิ์สิทธิ์กว่า นั่นคือความจริงที่หนีความจริงไปไม่พ้นไอ้แหว่งมันตายไปจริงๆแล้วมันไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครอีกนับวันพฤติการของมันก็จะเงียบหายไปเหมือนคลื่นกระทบฟังพวกเขารู้กันเองว่ามันได้ตายแล้วจริงๆคําตอบอันถ่อมตอนเริ่มละมัดระวังตัวแบบเป็นทางการเช่นนั้นของเขาทําให้เห็นคอนิดๆมาจากตาคู่นั้นเป็นคอนที่ทําให้คนถูกคอนสุขใจอยู่เงียบๆค่ําคืนนั้น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 ลงด้วยกระสุนปากกาสิทธิ์เพียงนัดเดียวการล้มมหิงสาของรอนในครั้งแรกคนเหล่านี้ก็ยังไม่กระตือรือร้นสนใจมากมายนะักต่างคิดแต่ว่ามันอาจเป็นการบังเอิญแต่การล้มไม่แหว่งซ้ำสองมันกระจัดความสงสัยทั้งมวลของพวกเขาออกไปหมดสิน้นรอนคือเจ้าแม่ของพวกเขาโดยแท้ในกระโจมภากหลังอาหารค่ําทุกคนอยู่ในอารมณ์ของความสุขผิดไปกว่าทุกคืน ดาลินผุดผ่าสคาร์อยู่ในเสื้อกลุ่มสีกา้านเมลิปล่อยผมสยายมันเป็นคืนแรกที่หล่อนปล่อยตัวปล่อยใจอย่างสบายเหมือนกับอยู่ในคฤหาสน์ของตนเองนับตั้งแต่รอนแรมมาใบหน้าสุกปร่างราวกับผิวมะปรางกระทบแสงไฟตึนยองใหญ่ได้ฤทิ์บรันดีพรานใหญ่ผู้พระออกไปรวมกลุ่มกับคนของเขาเมื่อตอนหัวค่ําและถูกเชี่ยถายคนไปเรียกเข้ามาสนทนาด้วยอีกครั้ง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 ทั้งสองกำลังศึกษาแผนที่โดยสังเกตของเส้นทางเดินทางจากกล่มช้างไปยังเทือกเขาพระศิวะที่เขามอบไว้ให้ก่อนแล้วเสร็จศึกไอแหว่งโล่งอกไปเสียทีต่อไปนี้ก็มุ่งเข้าแผนการเดิมของเราได้แล้วเชื่อถาผู้ยิ้มยิ้มมองจับอยู่ที่ใบหน้าพรานใหญ่พรุ่งนี้เราพักกันอยู่ที่นี่อีกสักวันพอมาลุนก็เคลื่อนย้ายมุ่งหล่มช้างเลยสุดแล้วแต่คุณชายเถิครับ ว่าแต่การเคลื่อนย้ายเดินทางจะเป็นอันตรายอะไรกับบาดแผลของคุณชายหรือไม่เท่านั้นแม้จะนั่งไปในเกวียนมันก็กระเทือนมากเหมือนกันเรื่องนี้ผมหารือน้อยแล้วเขาบอกว่าไม่เป็นไรความจริงแผลของผมก็ค่ออ ย, ย่างชั่วมากแล้วและดีขึ้นทุกทีผมอยากให้ไปถึงจุดเริ่มต้นของเราคือที่หล่มช้างนิเสียก่อนแล้วไปพักรอยอยู่ที่นั่นจนกว่าผมจะเรียบร้อยเราจึงเริ่มเดินทางยึดกล่มช้างเป็นที่พักฟื้นไปในตัวถ้างั้นก็ตกลงครับ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 เขาก้มศีรษะลงแทนคําตอบรับชายยันก็สอบถามมาว่าระยะทางจากนี้ถึงหล่มช้างเราใช้เวลากันกี่วันประมาณสามวันครับหมายถึงไปด้วยขบวนเกวียนของเราทั้งหมดแต่ถ้าเดินกันแบบตัวเปล่าตัดทางขึ้นเขาก็เพียงสองวันเท่านั้นเราค่อยๆเดินกันไปตามสบายก็ได้หมู่บ้านหล่มช้างหนาแน่นมีคนอยู่สักขนาดไหนก็ประมาณสักสากว่าหลังคาเรือนครับ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 เป็นตายร้ายดีอย่างไรไปรู้เอาข้างหน้าว่าอันที่จริงแล้วทีม9้าคนของพวกเราแข็งเปรี้ยพอที่จ ะ, ะเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ทั้งนั้นและก็เป็นกําลังคนที่พอเหมาะพอเจาะไม่มากไม่น้อยอนุชาเสียอีกเขาบุกแดนวรณะกับเพื่อนตายอันเป็นพรานพื้นเมืองเพียงสองคนเท่านั้นแล้วผลของมันก็คืออนุชากลายเป็นคนสาบสูญไปจนกระทั่งบัดนี้สหายของเขาพึมพามาด้วยอาการเศร้า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 เกี่ยกับน้ำหนักสัมภาระ จ, าจำเป็นที่จะเอาไปด้วยเรารอนแลง ม, มันไปอย่างไม่มีกำหนดแน่นอนและไม่รู้แน่ว่าจะเผชิญกับอะไรบ้างแต่ก็พอจะรู้ว่ามันมหาวิบาศขีสุดทีเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งของที่จะนำติดตัวไปจึงเป็นเรื่องต้องคำนึงถึงมันมากที่สุดถ้ามันเกิดขาดแคลนขึ้นการเดินทางจะพบกับอุปสรรคเชษฐาอึ้งไปด้วยคำพูดอันรอบครอบของชายยันระหว่างที่หัวหน้าคณะกำลังใช้ความคิดรพินบอกมาว่า ถ้าเราออกจากกรมช้างตามทีมเดิมของเรา9ก้าคนนี่ก็แปลว่าเรามีลูกหาบอยู่ห้าคนครับพรานของผมสี่คนและแง่สายคนหนึ่งทั้งห้าคนนี้จะทำหน้าที่หาหามดารินเคลื่อนช้าๆเข้ามารวมกลุ่มการสนทนาหารือนนั้นเมื่อรู้สึกว่าปัญหาหนักใจน่าคิดกำลังเกิดขึ้นหล่อนถามแทรกเบาๆขึ้นว่าคุณคำนวณไว้แล้วหรือยัง พวกพานของคุณรวมทั้งแง่ทรายอันจะทําหน้าที่เป็นรูปหาบนี้คนหนึ่งจะแบกน้ําหนักได้ประมาณสักเท่าไหร่เต็มอัตราศึกก็ไม่เกินคนละ30กิโลก ร, รมัมขอตอบโดยไม่ต้องคิดทั้งสา ม, มองดูตากันเองชายยันยกมือขึ้นรูปปลายคาง 5. คนก็เอาไปได้ประมาณไม่เกินร้อยห้ากิโลก ร, รมัมเจอเอาข้อสารอันเป็นเสเบียงสําคัญก็ไม่ปลาไปกว่าครึ่งของน้ําหนักของทั้งหมดแล้วหรือ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 เราจะหาอาหารระทางชีวิตไประหว่างทางซึ่งแน่และเนื้อสัตว์ย่อมเป็นหลักสเบียงของเราก็เอาไปบ้างเหมือนกันแต่พอประมาณเท่านั้นจะใช้ก็ต่เมื่อจำเป็นจริงๆโดยหาอาหารอื่นไม่ได้เมื่อเราตัดภาระเรื่องน้ำหนักของสเบียงไปเสียได้ในจำนวนร้อยห้ากิโลกรัมที่เราจะเอาติดตัวไปก็ไม่ใช่น้าหนักที่น้อยเกินไปนักสาหรับอุปกรณ์จะเป็นอื่นๆเอางั้นเหรอชายยันหันไปถามพานใหญ่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 คำพังเผยเขากล่าวกันไว้ว่าในน้ํามีปลาในนามีข้าวทีนี้ในป่าล่ะจะมีเนื้อเสมอไปไหมพ่านใหญ่ยิ้มกว้างๆของอ่านข้อกังวลใจของหล่อนได้ถูกแม้ว่ามันจะแฝงอยู่รึกล้ําจนสายตาผัดผาดค้นไม่พบผู้หญิงย่อมหนีนิสัยของผู้หญิงไปไม่พน้นนั่นก็คือมักวิตกกลิ่งเกรงอยู่เสมอไม่ว่าจะกล้าวแกลงสักปานใด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 สับยอกมาอีกอย่างหน้าตายและพินเอ่ยแงซ า, ายเอ่ยไหนจะพาดพื้นเมืองผู้ชำนาญอีกถึงสี่คนรวมเป็นมือดีตั้งหคนเป็นพี่เลี้ยงไปด้วยอยู่แล้วอย่างไม่ได้อะไรเลยก็ขอรับประกันให้ได้ร่วงหน้าว่าพอจะหาเขียดหรือกิ้งเกิลมาให้เธอขยอกได้ไม่ต้องกลัวอดทุกคนหัวเราะยกเว้นนักมนุษยวิทยาสาวคนเดียวหล่อนฟาดกาปั้นไปที่หลังของเพื่อนชายดังตึก แล้วเดินกลับไปนั่งบนอะไรอุบอิบอยู่ที่เตียงตามเดิมเชี่ยถาชวนพรานใหญ่ร่วมดื่มและสนทนาสอบซักถึงแผนการคืบหน้าพอเป็นสังเกตจนเวลาสี่ทุ่มเศษจึงอนุญาตให้เขากลับไปพักผ่อนส่วนตนเองเตรียมเข้านอนรับผินโผพ้นประตูกระจมพักของนายจ้างออกมาก็สวนกับดาลินตรงหน้าเต็นหล่อนพระออกจากกระจมพักไปตั้งแต่เมื่อไรไม่ทราบ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 ไม่ควรออกไปเดินข้างนอกเขาเป็นฝ่ายพูดขึ้นเบาๆหล่อนไม่สนใจกับคำติงนั้นกลับบอกมาเนิบๆว่าเสร็จสึกไอ้แหวงกลับมาถึงค่ายพักแล้วเมื่อจะถางป่าใต้คางออกเสียทีมันลบหูลกตาเลอเกินเขาเกือบจะสะดุง้งยกมือขึ้นรูปคำปลายคางอสากคลิ้มไปด้วยน้ำโดยไม่ตั้งใจแล้วหเราะหึห่ในลาคอต้องขออาภายัยผมไม่มีเวลาจะคานึงถึงมันอยู่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 พ่านใหญ่ก้มลงที่ข้อมือด้านนั้นซึ่งบัดนี้มีผ้ากอสพันอยู่หนานแน่นและเรือบขึ้นก็พบดวงตาดำสนิทจ้องเป่งมาโดยไม่กระพริบ